ในที่มันก็เป็นอยู่ความบุญการเชื่อบุญเชื่อกรรมแล้วก็สบายใจบุญเชื่อกรรมเชื่อว่ากิดแก่เจ็ตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็มีเรามีธรรมะโอสถมียารักษาจิตใจหายก็หายไม่หายก็ไม่หายนั่นเป็นไรใจที่มีธรรมะโอสถน่าต้องรับได้ทั้งสองทาง หายก็ดีไม่หายก็ดีเพราะมันต้องต้องเป็นใบหน้าสองทางถ้าหายตอนนี้เดืยนมันก็ไปมันก็ไปไม่หายตอนหน้านในในที่สุดแล้วก็จะต้องไม่หายเรื่องในที่สุดล้วก็จะหายคือหายกลายเป็นเฟื่อับการที่เท่าที่าทานไปมันไม่อยู่เป็นอย่างที่เราเป็นเห็นอยู่อย่างนี้ทุกวันไปตลอด มันก็ต้องเสื่อมลงมันไปเรืต่างเราจะนั่งเวลาเคยอแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ํามันได้มากมากเท่าไหรจุดนี่นะั้นคนจะให้คอสนใจมากกว่าัวแต่มากังวลเรื่องที่จะรักษาให้มันหายพอหาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆไม่ได้ทำอะไประโยช น, น์กาลังเลยก็ไม่รู้ไปรนนักษามันทําไมถ้าถ้าถ้ากำลังปฏิบัติธรรมเนาะกาลังเข้าได้เข้าเข็มอย่างนี้ ล้าต้องรักษาเพื่อจะได้ให้มันไปตลอดนอดฝัอย่า ง, งนี้แนละ้ว mm. ก็ทุคนที่จะขวนขวายรักษา mm. แต่ถ้าไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่ไม่ไมทำบุญไม่ทำประโยชน์อะไรอยู่ไปก็หาความติดตามภาษาของกิเลส ข, ของความโลภความโกรธตามหลงเวลาเจ็บไข้แล้สวยก็พยายามดื้นรนรักษามัน พอหาแล้วกลับมาทําดังเดิมอีกมันก็ไม่ ไ, มได้ไปํลาลองได้ในทางธรรมถ้ า, าถ้าในทางธรรมแล้วเกิดมานี้ต้องมาสร้สางบุญสร้างกุศล ม, มาปฏิบาาัติธรรมถึงจะได้จําไงราะเราทําเพื่อใจของเราถ้าเราทําทางธรรมนี่เราทําเพื่อใจถ้าเราทํำทางก็เราทำเพื่อปีติเหมื อ, อนกัน เราทำไปตามความความห่าของความความหลงความหลงที่เห็นความสุขในในสิ่งต่างๆเช่นเห็นความสุขในลาบยกจะัสเสลในการเสดลูกเสียงกินว่าถุทุกข์ก็แล้วนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความหลงพาให้เราไปเห็นว่ามันเป็นความสุข แต่ในสายตาของผู้รู้เช่นพุทธเจ้าปารา้ทั้ทจะจะหงหลายท่านกลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้ให้ความพอไม่ได้ให้ความอิ่มต่อให้ได้เสพมากเท่าไหร่ก็จะมีความอยากมากขึ้นไปเท่านั้นได้มามากเปลี่ยงงนะารก็อยากจะได้เพ่มมากขึ้นไปก็เหมือนกับว่าไม่ได้พอได้มาแล้วสิ่งที่ได้มานี่ก็ เหมือนกันเราไม่ให้ความสําคัญยังไะเราเป็นมองสิ่งที่เรายังไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้มาก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้มาถ้าถ้ามันเป็นทางธรรมมันได้อะไรมามันก็ควรจะถึงจุดอิ่นตัวถึงความพอเพราะธรรมนี้จะมีเหตุมีผลเป็นเป็นหลักเช่นเราต้องการดูแลรักษาร่างกายของเราด้วยปัจจัยสี่เพมีปัจจัยสี่พร้อม ควาเพียงนะมันก็พอนะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมากไปกว่า น, นั้นมีมากไปกว่า น, นั้นก็ใช้มงนไม่ได้จะมีอาหารมากกว่าที่ท้องจะรับประทานได้ ม, มีมีไปมันก็ไม่เกิดปรมีแต่จะเกิดโทษทาให้ร่างกายนี้นมีน้ำหนักเกินมีเล้าพารใชรเกิดเดือดเดือ ดัง น, นั้นความสุขทังโลกจึงไม่ใช่เป็นทางที่ถูกเพราะมันไม่ได้สรสร้างความสุขที่แท้จริงมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นไปตามลำดับเพราะเมื่อได้สัมผัสกับความสุขทังโลกแล้วก็ติดตันเหมือนเป็นเหมือนเศษเศษติดเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสแค่หมดหมดใหญ่ ร้างว่างเปล่าเปลี่ยวเรางมีความสุขกับใครคนหนึ่อนองเวลาที่เราไม่ได้อยู่ใกล้คนนั้นเราก็เกลายเป็น้างล้างฝ่าเปลี่ยวหมดัวใจถ้าเราเคยออกไปนอกบ้านอยู่เป็นประจำในสถานทสุขจากตาหูจมูกเลี้นกายอยากรู้เสียงก็บรถโปรดแต่ว่าอยู่เป็นประจําถ้าเกิดเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเพื่อไปเส็สัมผัส เราก็จะหมดใจลังคาใจอยู่อยู่ไม่ติดบากแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นท้อกันเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเิ็นที่เราเห็นว่าเป็นธรรมดานักบ่าเช่นพระพุเจ้ากับเห็นว่าเป็นทุกข์เป่งที่เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์นักบากลับเห็นว่าเป็นธรรมดาซึ่งเราเห็นว่าแก่เจ็บานี้เป็นทุกข์ แต่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องแก่ตเจ็ต้องตายท่านจะไม่คิดที่จะหนีมันพวกเรานี้เห็นมันเหมือนก็เป็นไฟเราพยายามหนีความแก่หนีความเจ็บแค่ไม่ป่วยหนีความตายหนีก็หล า, ายก็หนีไม่พ้นเพราะวิธีของเรานั้นมันไม่ได้เป็นการหนีเนการยื่นข้อหาเหนี่ยพอพอเราคานจาก ชาตนี้ไปแล้วก็ไปเกิดใหม่เราก็ไปหามันใหม่เพราะที่เราไม่รู้สึกตัวจงที่ท้ายเราไปเกิดใหม่ก็คือความอยากต่างๆของเราเนั่นเองอยากได้สิงนั้นจิงนี้อย่างมีิงนั้นสิงนี้อยากยั่งยืนสัมผัสกับยุคสมัสงจิตวิสพทัพะต่างๆแบบนี้นะ เ, เป็นตัวเป็นตัวที่ฉุดากให้เราเข้าหาความ เกิดแก่เกิดตามโดยที่เราไม่รู้สักตัวพอเราเกินะเราก็พยายามหนีความแก่การเจ็บความตายในวิธีต่างๆเป็นกลายเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาเรื่องการรักษาความสาวความหนุมเนี่ยความสวยความงามเป็นอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ของโลกอมีเมืองหลวงเป็นเรืองหลงกันของของการกระทําเหล่านี้ เป็นเูนสุ่การ์ชันต่างๆอันนี้ก็เพื่อที่จะส้านความสวยความงามักษาความสวยความงานไย้แต่มันก็มันก็ขัดหลักความจริงของสังขารน่าใสที่มันต้องร่วงโรนไปตามการตามเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าใจของเรานั้นมันขาดปัญญาถูกความมึนบอด โมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้กวามดำอยู่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือใจเราไม่รู้ว่าเรามีใจเรารู้ว่าเรามรีร่างกายเราคยดว่าร่างกายของเรานี้เป็นเป็นตัวตนของเราแต่พระพุทธเจ้ายาต่าจาัย์ทั้งหลายท่านเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตว น, นดีใจอีกตัวนึง ใจที่ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตน แ, แต่ใจนี้ไม่ใช่จะร่างกายใจเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่สั่งการผู้ที่มีความคิดคิดสั่งการต่างๆแต่ใจถูกอำนาจของความมืดบอดครอบงำอยู่ทำให้ไม่เห็นตัวของใจและไม่เห็นว่าสิ่งที่ใจต้องการนั้นคืออะไร สิ่งที่ใจสิ่งที่ทำให้ใจมีความสุขนั้นคืออะไรไม่มีใครต้องอาศัยนักษ์าส์เช่นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถศึกษาธรรมชาติของใจได้ด้ว ย, ด, วยด้วยพระ อ, อ, อง์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาศึกษาก็ไม่มีใครที่จะมาสอนให้รู้ให้เห็นตามได้เพราะไม่มีใครมี ความรู้คามสามารถมีสติปัญญามากพอ เ, อพเท่ากับพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเป็นแค่สมัยก่อนได้มีกล้องจุลทัศน์ก็ไม่มีความที่สามารถที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่ต้องอาศัยกล้องจุลทัศน์ดูถึงจะเห็นพระพุทธเจ้านั้นทรงมีกล้องจุลทัศน์ทรงมีพระปัญญาบาลีที่ได้ทรงบงเพ็ญมา เป็นเวลาอันยาวนานเมื่อถึงเวลาที่จะได้สำเร็จบรรลุถึงการสังสมพระบารมีัองท่านก็ทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระพระพุทธเจ้าเสือเมื่อทองตัดจารุทรงเห็นแล้วว่าร่างกายเป็นเพียงภาชนะเป็นเพียงวัตถุที่หนึ่งเป็นเครื่องมือของใจ พุทธิจะสุดที่จะทุกข์นั้นก็อใจและเหุที่จะทาให้ทุกข์ก็คือความอยากและเหตุที่จะทำให้กกลหลุดพ้นจากความทุกข์ความอยากก็คือธรรม ะ, ค, รมะมมคือการปฏิบัติมักที่เียองต์แต่ือดานตันฑแต่สมาธิทิฏฐิความเห็นชอบสมาสังฆะโภคความดังลิชชอบ ลัมมากำมันโตทานกระทั่ชอบัมมาวาจาวาจาชอบัมมาอาชีวะอาชีพชาบัมมาวายามความเพียรชอบัมาสติลัมมาสมานี่คือนักเป็นโอเปนผูที่ตั้นาที่จะหลุดจะความทุกข์ผู้ที่ตการ สร้างความสุดที่แท้จริงให้แก่ใจก็ต้องบำเท็ญนักที่อยู่แต่นี้หรือถ้าย่อรวมเข้ามากันสามเรียกว่าทางสิยนภาวนาหรือสิยนสมาธิปัญญาเป็นมากสหนกันเพียงแต่ย่อรวกกันเข้ามาเป็นหนึ่เข้าไป หคำว่าภาวนี้ท่านก็ให้บำเพ็ญทานก่อนท่านคือมีสมาธิทุกข์ใหนว่าการมีสมบัติเจ้าของเงินทองมากมายเป็นความจําเป็นนี้เป็นโทษเป็นภัยทำให้ต้องถูกถูกติดไว้กับการยืนไหวตาเกิดถ้าเรายัางพึ่งพาสายวัตถุเจ้าของเงินทองไว้เพื่อให้ความมั่นคงให้ความสุขกับเรา เราก็จะพยายามหาเงินทองอยู่เรื่อยๆแต่เงินทองนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นที่คพึ่งของใจได้แม้ แ, แตากายก็เพิ่งเวลาถึงเวลาที่กายจะต้องเป็นอะไรต่ต่อให้มีเงินทองมากมขนาดไหนหมอมีเงินทองที่ชื้ อ, อยาวิเศษขนาดไหนจ้างหมอที่เก่งขนาดไหนหก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะยักยั้งการ การการจับของร่างกายก็ได้ท่านลิงสอนให้เราอยากไปยึดติดกับทักษะมาข้าวของเงินทองมากเกินการสะเกิดไจมีไว้เพื่อเลี้ยงดูไปตามอัตภาพเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมถ้าเรามัวแต่ไปยุ่งหาเงินใช้เงินก็หมดเวลาในชี่ินี้ก็จะหมดไปกับการหาเงินใช้เงินหาได้มาก็เป็น ซื้อข้าวซื้ของไปเที่ยวไปทำอมไตามความอยากต่างๆความหมดก็ไปหามาใหม่ข้าวนไปเวนมาเดีย๋ยวนี้ไปจำบันตายก็จะไม่มีทางที่จะโผล่หัวขึ้นไปสื่การการตัดตัวรู้เปิดการหลุด้นได้ก็เป็นวัวก็เป็นเหมือนวัวที่อยู่ใต้น้านําวัวที่ถูกปูเป็นเป็นอาหารของปูงของปลาไปคุณสอนให้เรา ปล่อยวางทางด้านวัตถุเข้าของเงินทองอะครับอย่าใช้มันเกินความจำเป็นอาศัยเงนเท่าที่จำเป็นก็คือเพื่อมีไว้ให้มีปัจจัยสิมีที่อยู่อาศัยมียาและของมีอาหารรับประทานมีเครื่องมุ่งผงเมืม่อเรามีสิ่งอันนี้พอเพียงแล้วแล้วเรายังมีเหลือเผืือก็อย่าเอาไปใช้เพื่อซื้อความสุข ไปดูหนังฟัเพลนไปลับไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจะเสียเวลาไปกับสาวกับชีวิตมันก็สนุกเพอยเพลินเหมือนกับความสุขที่ได้เก็บยาสูบติดความสุกที่ได้เดินตุลยามาเท่านั้นเองมันก็สบเชื่อขณะที่ได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็หลังจากนั้นกลางมีความอ้างว้างเปลี่ยนมีความอยากอีกก็ต้องเสพอยู่เรื่อย จะไม่มีพลังไม่มีกําลังที่จะที่จะตัดมันได้ถ้ายิ่งเจ็บมากมากเท่าไหร่ยิ่งติดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลําบากต่อการที่จะเลิกหมดดังนั้นท่านสำหรับคารวาท่านต้องสอนให้ทําทานกน็คือให้ให้ลดความเกี่ยวข้องกับสิ่งพันธุ์ข้าของเงินทองต่าง หรือ บ, บุคคลต่กกางๆก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าได้เป็นนักบวชแล้วเองเรานี้ท่านก็ได้ทำท่านก็เลยจะละบุญไปเป็นพอบวชก็มีสมบรรัติเท่าสองเงินสองเท่าไหร่ก็ก็จะละให้ผู้อื่นไปมีสามีมีภรรยาก็จะละให้ผู้อืเข้าไปหถ้าเป็นสามีภรรยาที่มีบุญบารมีคู่กันมาก็ขอบุญร้อมพอัข้าไปละ รับสมบัติเข้ากองเงินทองต่างๆที่มีอยู่ให้กับคนอื่นไปอาจารย์เคยได้ยินประวัติของหนูหนูปู่คง ก, ก่นท่านก็เป็นอาจารย์มีภรยาท่านก็เป็นเป็นคนที่มีฐานะมีมีตับสมบัติว่าอย่าท่านก็มีใจใส่ทำอยู่เสมอจนวันหนึ่งจิตใจของท่านกับภรรยาก็ถึงความท้อมที่จะสลับ ไม่จะออกบวชท่างก็่จกจ่ายให้กับผู้อื่นไปบวชแล้วก็ออกบวชเพราะสามีท่านก็ศึกษาอย่างถี่มั่นไปศึกษาปฏิบัติสมถี่มั น, น, ต, มมนตอนนี้ที่ศึกษาได้บรร ล, ลุรูอสึกจะมีเกียรติในสวัสป์ปฏิปทาพระทนธรรมถายที่งนงที่หลวงหลตาท่านเขียงไิ แลงนั้นเรื่องต้องทานจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างนี้สําหรับพู้ที่ครองเรายนแต่ผู้ที่บวชแล้วเรื่องของทาง น, นี้มันจะ็นเรื่องเรื่องเรื่องที่มันมี ม, ม, ม, มีมีเหตุทําให้ต้องทำเพราะว่าถ้าสมมติว่าบวชแล้วเป็นนานมีชื่อเสียงมีฐานะมีคนเคารพนับถือมีคนอยากจะทำบุญมากกับท่าน เงนเหล่าั้นสําหรับท่านเองท่านก็ไม่รู้จักไปใช้ทำอะไรเพราะท่านเป็นนักบวชท่านไม่ได้คลื่งงนเงินเอาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่เพิ่มท่านเพิ่งธรรมะเพิ่มการปฏิบัติเป็นการการเป็นที่เพิ่มของท่านดังเงินทาที่ได้มาล้านน้อยเนไท่านก็พิจารณาไปทางความเหมาะเหงว่าจะส่งเข้าโลกไปในทางไหนแล้วแต่ว่าจะเหาะกับ กับสุาพเหตการในตอนนั้นว่าควรจะทําอย่างไรก็ทําไปเนื่องตอนที่หลงตาท่านออกมาสงเคราะห์เล่งทางด้านทางคันช่วยชาติก็เพื่อช่วยช่วยคนทั้งประเทศช่วยประเทศแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ช่วยอยู่เป็นประจรํายนะู่แลเรื่องตอนก็ช่วยชาวบ้านงแถววัาเมื่อก่อนสร้างโรงเรียนทําถนน ทำอะไรต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อมาก็มีทางที่ไกลหน่อยได้ทราบกิติจักได้ทราบบารมีก็มาขอพรบารมีอยากจะได้เตกโรงพยาบาลอยากจะได้รถพยาบาลอยากจะได้เครื่องมือแพทย์มันก็มามาถวง มาขอความเมตตานะท่านได้มาเท่าไหร่ท่านก็ถึงขอไปแต่ท่านไม่ได้แต่ขวนขวายท่านไม่ได้ทําตงานหลักท่านที่นักบวชบางคนที่ไม่ไม่ทราบถึงหลักนี้พอมาบวชแล้วแทนที่จะมุ่งเข้าป่าชอบปฏิบัติหาธรรมะหาทางหุดพ้นก็มาหาเงินหาทอและเนี่ยไรญาติพี่น้องสร้างความโลภทางใจให้กับทพ่นอนเเพราะว่าขอเท่าไหร่ก็ไม่พอ เพราะในใจมันมีแต่ความโลภถึงแม้จะเป็นความโลภในทางบุญกุศลมันก็ยังเป็นความโลภอยู่มันก็ทําให้คงเหนื่อยหนัได้ที่เจอพระเจอหน้าทีไรก็หาเรื่องพูดเนี่ราะไตอนนั้นทุกทีจนบางทีไม่มีใครอยากจะเข้าวัด <c oughs> <c oughs> พรเข้าทไลไรไม่เคยได้ธรรมะ <c oughs> ได้กิเลสแต่คงคันเห็นกิเลสสองคน ของคนที่สอนให้รากอย่เลยแนะ้วมันก็เลยไม่มีกำลังใจดังนั้นถ้าถ้ายังยังเกี่ยวข้องกับเงินทองอยู่ก็ขอให้ปรเจการฐานะใจอย่าไปเห็นคนอื่นเขาบริจาว่าแล้วคนเอนมีฐานะด้อยกว่าอยากจะทํากกว่าเขาเท่ากับเขาก็ทําให้ต้องไปพยายามไปหาเงินมาเพื่อมาทํา แล้วก็เกิดมีความรู้สึกนี้บุปผะเพราะว่าการหาเงินถ้าจะให้มันคล่องแค่วนิดหน่อยบางทีมันต้องบึกการบิดมาจะพูดตรงๆไปนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ได้ก็ทําให้มีปัญหามีประเด็นขึ้นมาว่าอะทำยังไงอยากจะทําบุญแต่ถ้าอยากจะทําบุญก็ต้องก็ต้องทํำบ่ายต้องพูดปลดบ้างต้องพูดไม่จริงว่าอย่างนี้ไม่ใช่จะจะเป็นเรื่องของการทํำบุญนะ เป็นเรื่องของการทําบาปโดยไม่รู้สึกตัวจุดยิ่งใหทำอย่างนีอยากจะทำโล่ความหลงและความโลภหลอกกันโลภอยากจะทำบุญให้มากแล้วก็หลอกให้ใจทําบาปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะการการทํำบุญให้ทางนีในปณิสง์นี่มันด้อยกว่าการรักษาศีลแต่รักษาศีลนี่ทําให้ได้เกิดเป็นมนุษยได้ไปสู่ ดุขติทั้เทศชั้นภมทั้งอริยบุคคลนี้ต้องมีสีเป็นเด่นดา่านแล้วถ้ามันมีสีแล้วต่อให้ทําทานเป็นหนึ่งล้านแสนล้านก็ไม่ได้ไปไปจุดศักษิ์ต้องเป็นเปรตบมางปตกเบยาลบบ้ากไปเป็นเดรัจฉานบ้างเัราะฉะนั้นที่สอนให้ทําบุญนี้หมายความว่าให้ทําตามฐานะ ทำในส่วนที่เรามีเหลือเลือกินเหลือใช้เราเก็บไว้เราก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราก็อย่าไปห่วไงไว้ส่วนที่จําเป็นจะต้องเก็บก็ต้องเก็บไว้สผื่อในวันท่านหน้าถ้าเราเก็บค่าได้ป่วยแต่เราตกทุนนกข์ยะเราก็จะได้มีอะไรไว้เป็นที่หอกลักว่าแต่เราก็ต้องมีความกล้าหาญพอที่จะเก็บไว้พอพอเท่าที่จําเป็น อย่าไปกลัวกระทั่งเก็บไดนหมดเลยแล้วก็อ้างมาต้องเก็บไปเผื อ, อวัพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำบุญก็ยังติดอยู่กับเงินทองแล้วจะทําให้จะทําให้ไม่สามารถก้าวขึ้นสูงทำขั้นสูงต่อไปขั้นสี น, น่ะขั้นภาวนากจรรักษาสิ่ง น, นั้นวิจัยจะต้องเป็นคนใจตใจกว้างไม่ใช่ใจแคบตัหัวที่เหนียวอย่างนี้จะรักษาสิ่ญยา ก็จะมีความโลภอยากจะได้แล้วจะมีความเมตตาน้อย <Yeah. S 1> เวลาทําอะไรนี่จะไม่ทํานึงถึงผู้อื่นเป็นแต่ทํานึงถึงตนเอง <Yeah. S 1> อยากจะได้มากๆ <Yeah. S 1> ก็หามาบางทีก็ต้องไปเหยียบยีผู้อื่น <Yeah. S 1> ก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายคิดว่าเป็นเป็นความจำเป็นเป็นการต่อสู้ของของศัตร ที่อยู่ในโลกใน้ล ต, ต่อสู้แต่แงแย้มแช่งชิงดีกันแต่นี่มันเป็นความคิดของกิเลสความคิดของความรู้ผการที่คนมีวิช า, าชีพก็ก็าเขาคิดว่าถ้าก็าไม่มีอาชีนี้นะเขาก็อยู่ไม่ได้ทนอาชีพข้าสักตัดชีวิตอย่างนี้เปต้ น, ตนในอาชีพค้าสุรายาวเล่าจยางนี้ทางศาสนาเห็นว่าเป็นอาชีที่ไม่ชอบ ไม้จําเป็นจะต้องทําอาชีพอะไนี้มีอาชีพอะไรหรืงที่เราสามารถทําได้ที่เราอยู่ได้อาจจะไม่คล่องแข่วเงินทองอาจจะไม่ไหลามาเทมาแต่ก็พอเพียงต่อการดำรงชีวิตดังนั้นทานจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ยังคลองเองินอยู่ผู้ที่ยังไม่สามารถรักษาตัวได้ดีเท่าที่วควรควรมองมาต่อจุดนี้ การที่เรารักษาตัไม่ได้รู้สึกยากลงบาก็เพราะว่าใจของเรายังขาดความเมตตายังมีคามเห็นแกตัวเอว่มามยังคิดถึงตัวเราเองอมากจ น, จนไม่มองถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นแต่ถ้าเราเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราอยากจะมีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้บรรเทาความเดือดร้อนให้บาบางลงไป ก็จะทําให้เรามีความไมตตามีความมีสีขึ้นมาจะไม่มีความที่จะเดือดเดือดสูเลยเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรก็จะทําอย่างแรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นถ้าคิดอย่างนี้มันก็ทําให้มีสีขึ้นมาเราทําไปแล้วจะไปทิ้ไปไปไปเดือดเรือดสู้เลยหรือเปล่าถ้าเราไม่มีข้าวกินเราไปตกปลาเนี่ยเราได้อาหารมาแต่อาหาร ของเราเนี่เขาคนที่เขาต้องสัตสิงจัดที่ต้องตายอย่เนี้เขาเขาเขาเดือดร้อนขนาดไหนถ้าเราเป็นปลาแล้วเขาเป็นเราว่างแล้วเวลาก็หิง้งก็ไปตกปลาตกเราขึ้นมากินเราเป็นนิสัยอะไรถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีเสิยงขึ้นมาโดยโดยํารมชาติเป็นเรื่องปกติไปไม่ต้องฝืนไม่ต้อ ง, องบังคับ เพราะเป็นสิน่งที่มีปัญญาเป็นเป็นพื้นฐานรองนะสนับสนุถ้ามีอามีปัญญาแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างสะดวกร่ายดายทานก็ต้องมีปัญญาอย่างที่เราไปครังที่ทำมันก็ทำเพราะว่าเรามีมากกันไปเหมือนเราแบกของไว้ทำไมเยอะๆเพื่อแบ่งให้คนอื่นเขาแบบไม่ดีกว่านหรอใช่ไนหะ เราเดินทางไกลเราต้องแบกของไปแล้วของที่เราแบกนี่เราก็ไม่ได้ใช้อยู่เราแบกไปทแบบํามลองไปรั่งอยู่ในป่าเลยแล้วเราต้องก่อนมีอะไรเยอะแยะที่เราเหนื่อยติดติดตัวอยู่เราต้องเองริ่รรมคิ ด, ด, ด ว, บบคว่าอันไหนจาเป็นอันไหไม่จําเป็นอั น, น, น, นั้นไม่จําเป็นเราก็ทิ้งมันไปเพราะเราต้องเดินทางไกลเราแบกมันทาไมไม่เกิดประโยชน์ได้ คนที mang mang ่มีความหลงนี่จะไม่คิดอย่างนี้คิดว่ามีมากมากดีมีมากมาะดีมีไม่ก่อนดีล้วตัวเองยากใครก็ลำบากลำบุต้องคอยกำนงคอยทุกข์กับการดูแลรักษาต้องหัวงต้องหวงแต่ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะมีความมิ่ัความพอดี งั้นถ้ไม่ว่าจะทําทานก็ดีรักษาศีลก็ดีถ้าเข้าใจถึงการของการทําทานของการรักษาศีลแล้วนะกรร็กนะจะไม่ยากเพราะมันเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุเป็นเป็นเหตุที่ทําให้เราทําได้ง่ายแต่ถ้าเราทําไปโดยที่เราไม่เข้าใจเราทำไปทําไมมันก็จะไม่มีกําลังที่จะไปล้มล้างความหลงความหลงมันก็จะต่อต้านอยู่ เสียดาหามาถ้าเป็นทาาตายให้เขากาทาไมทาไมต้องให้ทาไมต้องสื่อสัตว์กับเขาใน้ม่อเขาคอยคดคอยโกงเราอยู่ตลอดเวลามันจะคิดอย่างนี้แต่ไม่มันไม่คิดถึงผลที่เกิดกับจิตใจของเรว่าเป็นอย่างไรเวลาให้แล้วาจารย์มันร้องมันสบายมันสุดเวลารักษาเป็นยากแล้วมันมีความมั่นมั่นคง มันไม่มีความหวาดยิ่ตกกังวลมีความภูมิใจในในความรอยสุดของของตนถ้าทําผิดก็แล้วจะมีความนึกเก็บไม่มั่นใจในตนเองถึงแม้ใครจะชมการยกย่กองยั ง, ยงไงก็ยิ้มไม่ออกเพราะรู้อยู่ในใจว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาชมอย่างที่เขายุกย่องเพราะเขาไม่รู้ท่แท้ของเราก็ไม่เห็น ตัวท็กของเราเนี่ยเองเขาเห็นโซนที่เราจัดใช่ไหมก็เห็นนั่เองเป็นว <c oughs> นที่ชอบโกงโกงเยอะๆแล้วก็ไปทําบุญมีการโฆษณาทางหน้านะคือเพียงโกงมาเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วก็ทํำบุญสักสิบล้านแล้วก็ลองข่าวหน้านะคือเพียงใหญ่โตกเงือบมาเป็นคนใจบุญเ <c oughs> เราต้องต้องทําำนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมีไว้เพื่อทําิ่งเหลีเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเราทําแล้วไม่ช้าก็นเลยเราก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางคือการหุดค้นจากจากความทุกข์ทั้งปวงการได้พบกับความสุขที่แท้จริงก็ต้องมาใสชีวิตร่างกายนี้ถ้าเราเทุ่มเทใช้เวลาทั้งส่วน ได้มากเท่าไหร่เราก็จะไปได้เร็วมากขึ้นท่านั้นเวลาที่จะต้องปฏิบัติก็น้อยใช้เวลาน้อยถ้าปฏิบัติทีละนิดเท่าหน่อยไปเวลาที่จะต้องปฏิบัติมันก็ยาวแทนที่จะเป็นเจ็วันครัเป็นเจ็ดเดือนือเป็นเจ็ดปีหรือเป็นเจ็ดชาติหรือเป็นเจ็ดรับมันไปได้ถึงขนาดนั้น แล้วก็มันมันน่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆสมมติการจากด้านนี้ไปแล้วไม่อยไทยรับรองว่าท่านจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆอาจจะต้องไปใช้กรรมที่ไหนก่อนหรืออาจจะจะรับผลบุญที่ไหนก่อนช่วงนั้นก็จะไมต้องไม่มีเวลาที่จะได้ได้ได้ปฏิบัติการสร้างหรือสร้างกุศมากเท่ากับการได้มาเกิดเป็นมนุษย เวลาก็จะหมดไปหมดไปและในขณะเดียวกันมันก็เป็นวสัยทำให้เราเฉื่อยช้าในกระเตื้องมันก็เลยทําให้การเดินทางของเรานี้ยาวยาวนานความทุกข์ของเราก็มากขึ้นในเดียวเดียวแที่เดีทุกข์กับพบนิยงชาติเดียวพบเดียวก็ต้องแบบทุกข์เองไม่รู้จบของผู้ชาติ แต่แต่ละครั้งก็ต้องมาเจอปัญหาเนี้ยเจ็บไข้ได้ส่วยจะผ่านี้ไม่ผ่านีจะทำํำยังไงดีแต่ถ้าคิดว่าร่างกายนี้มีไว้ทพื่อปฏิบัติกัรมใช้มันให้เต็มที่แล้วก็ถ้าถ้าคิดว่ามันเสียมันถึงเวลาที่จะต้องผาเพื่อที่จะได้กลับมาทำงานต่อถ้ากข้ม่ผมต้องผา หรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะใช้โิการของการเจ็บค่ามแนบปวนนั้นเป็นเป็นบันไดที่จะส่งให้หลุดคนยันก็ได้จะจะนักปัญญเพื่อปล่อยวางร่านการยนี้ด้าอย่างแท้จริงหรือปล่อยให้มันตายไปตามธรรมชาติเทนั้นไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกันก็ดูแรักษาตามปกติหายใจไปหยดน้ําไป กินข้าวไปกินยาไปถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายดีไม่ดีก็ได้บรรลุเช่นพระราชนิธ์ของพระธเจ้ารายละเอียดไม่้าบวเป็นยังไงแต่ทราว่าพระพุทธจ้างระตอนที่ใกล้จะหวนโค้ น, คนง น, นที่ประชุประชนนุน่แล้วก็ทรงบรรลุเต็นท่า หังจากนั้นเ็ดวันท่านก็เกิดสวรรคตไปก็อาศัยความวิตกิกันให้กเกิดเช็นโอกาสขึ้นมาวิตกก็คือความใกล้าตายนี่แหะเป็นวิตกก็เราบางทีจะปล่อยได้จะเห็นธรรมะก็ตอนที่ใกล้าตายนี่เองแล้วมีคนมาคอยเนะคอยสอนวิธีปล่อยเท่านั้นเองพอเข้าใจแล้วก็พอปล่อยได้จิตก็หลุด จิตนั้นติดกับรางการเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราใช้ติดกับผ้าผนังเราใช้กาวตาก้างตางแล้วก็ติดอยู่แล้วพอจะจะจะถอนจะถอนแล้วออกมาจากผ้าผนังมั น, นยากมันหนาแ น, น่นม า, ากต้องมีน้ํายาพิเศษที่จะเข้าไปละลายไอ้กาวนั้นมันเป็นกาวดูขึ้มางนะ่ายธรรมะก็เป็นเหมือนกับน้ํายาพิเศษ พิจิตติงานที่จะมาละลายอุปทานความมิจนาทิมันในขันห้าในรูปเวตนาสัญญาสัญชาติญาเพราะในขณะนั้นต้องปล่อยทั้งมดทั้งรูปเวตนาสัญญาสัญชานาิญารูปก็ต้องปล่อยพิจารณาว่าเป็นแค่ดินงงน้ำลมฟ้าเรื่องฉะนั้นก็ต้องปล่อยมันจะทุกข์ขนาดไหนก็ปล่อยมันทุกข์ไปอย่าก็อยา่าให้มันหามันจะเป็นทุกข์ ทุกเวทนาได้เหมือนทุกไปมันจะเป็นทุกเวทนาได้เหมือนทุกมันจะเป็นไม่สุกไม่ทุกเวทนาก็ให้มันเป็นไปต า, ามธรรมชาติของมันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันใจไม่ต้องไปยุ่งกับมันอยากก็อยากให้มันทุกเวทนาไดเพราะยิ่งอยากขึ้นมามันก็เลยสร้างความทุกข์้อนขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งโดยทุกนี้เรียกว่าทุกในอริยสัจสี่ทุกที่เกิดจากสมุทัความอยากหรือความไม่อยาก ความอยากให้ทุกข์หายไปด้วยความไม่อยากจะเจอทุกข์แบบนี้ทุกข์ที่เกิดจากการเก็บไข้เรื่ป่วยของร่างกายทุกข์ที่จะเกิดที่เกิดจากการต้องเสียหรืเสียร่างกายนี้ไปทุกข์นี้เกิดจากความอยากเกิดจากอุปทานความริษเต็จถ้าไม่มีธรรมะแล้วคนทุกคนจะมีทุกข์นี้เกิดมาซ้อนขึ้นมาโดนรู้รู้สึกตัว ทุกข์ที่ทรมามีความรุนแรงมากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ปวก็เหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิไปแล้วมันมีความเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายเท่านั้นเองแล้วแต่มันที่มนมุษย์เสพทุกข์มากก่อนนั้นก็เพราะว่าขณะที่เรานั่งแล้วมันเกิดความเจ็บปวดใจของเราก็เกิดความยอยากให้มันหายไป เรย อ, อยากจะหนีจากความทุกข์นั่นไปเขายังเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานขึ้นมาอีกครั้งนึ่งซึ่งรุงนแรงกว่าทุกที่เกิดจากการนั่งเจ็บเจ็บตรงนั้นปวดตรงนีน้เพราะว่าบางเวลาเราก็นั่งได้นานกวานั้นเช่นเรานั่งดูหนังนั่งเล่นไพ่นั่งได้ทั้งคืนไม่รู้จะอยากจะรู้มันก็เจ็บเหมือนกัน ใจมันไม่ได้ไปกวนมันไม่ได้มีความอยากจะลุกไม่มีความอยากให้ความเก็ียดนั้นหายไปเพราะใจมันมีสิ่องอื่นมาร่อใจมันก็เลยเพลิเพลินไปกับสิ่งที่มันกําลังดูกําลังสัมผัสอยู่ความทุกข์ที่เกิดจากความทุกข์ในอริยสัจที่เกิดจากความอยากมันก็ไม่เกิดขึ้นก็ทําให้ง่างได้ทั้งคืนทั้งวันหรือให้ ถ้าเวลาเวลานั่งรถเนี่ยถ้ารถวิ่งอยู่เนี่ยนั่งเท่าไหร่ก็นั่งได้พอรถจอดนี่นั่งได้เดียวเดียวรู้สึกหดนหดกระสับกระต่ายพรไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรทั่วไปแต่เรานั่งรถฟารนี้มันมีอะไรให้ดูอยู่เรื่อยๆมีรูปมีรูปต่างๆเปลี่ยนไปอยู่ที่นี่มันก็พลิดเพลินไปความอยากคือกิเลส สุไทยก็ไม่เกิดขึ้นมันก็นั่งได้สบายดังนั้นปัญหาของเราก็อยู่ที่ความทุกข์ใจนี้เองทุกที่เกิดจากความอยากโดยเฉพาะอย่างนี้เว <Yeah. S 1> ลาที่เจ็บคข้ได้ปวดนี้ก็เกี่ยวกับทุกเวทนาความเจ็บปวดทางร่างกายเราก็ต้องมาสึกทําให้ใจรักกับความทุกข์ของทางร่างกายให้ได้ เช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้ก็อยากจะขยับหนึ่งปล่อยให้มันเจ็บไปตามเรื่องของมันจะเจ็บของมันเองได้ก็ให้มันหาของมันเองได้เราไม่ต้องไปัำอะไรเราเชื่อในหลักของกายวัตคืออนิจจ์ไม่ว่าอะไรจะตามหรือการเกิดขึ้นตนั้งแล้วดับไปเป็นธรรมดาเมื่อกี้นี้มันมีทุกเมตตาตอนนี้มีทุกเมตตาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกเมตตามันก็ต้องดับไปตามเรื่องของมันเอง เราปล่อยให้มันเป็นไปตามตามเนื่อของเขาถ้าเราถ้าเราพิจารณาเห็นว่าการปล่อยไม่ดีกว่าการไปยุ่งกับมันเพราะเวลาเรายุ่งเราอยากให้มันหายแล้วมันมันเพิ่มความทุกข์ขึ้นไปอีกิชั้นหนึง่งนี่คือความทุกที่เราต้องการที่จะแบบที่เราดับได้ด้วยปัญญาเมื่อเราเห็นชั้นแล้วว่า ถ้าเราอยู่เฉยๆล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของเขาความทุกข์กับไม่รู้เลเท่ากับเวลาที่เราอยากให้มันหายไปเราจะต้องพยายามหาอุบายวิธีทางเวลาอย่าให้ใจ อ, อยากให้มันหายไปที่เราจะบริกรรมพุทโททุกโธไปก็ได้อยากไปให้ใจคิดถึงถึงถึงความเจ็บของร่างกาย ให้อย <aling No> <sound> ู่กับพุทโธเหมือนกับเราเวลาเราเล่นไพ่เราก็อยู่กับการเล่นไพยเวลาเราดูหนังเราก็อยู่กับการดูหนังดังนั้นการเจ็บปวดของร่างกายมันก็ไม่มาลบควนใจเราก็อย่าให้ความเจ็บปวดของร่างกายมันลบควรใจเราเราก็ต้องร่อกรรมพุทโธพุทโธกันหวดมนไปทําอะไรกไปก็ได้เพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงไอ้ความเจ็บปวดของร่างกายจะพิจารณาดูร่างกาย แยกออกมาเป็นส่วนๆแยกกายให้ออกจากเวทนาให้ออกจากใจก็ได้ว่าสามส่วนนี้เป็นคนละส่วนกันถ้ารู้ว่าร่างกายนี้เป็นอะไรจวรนาให้เห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟถ้าเห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟมันก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับกุฏิเหมือนกับศาลาหลังนึงมันก็ตั้งของมันได้เป็นเวลามาหลายปีแล้วไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไร ร่างกายนี้ถ้ามันเป็นเหมือนกับศาลามันนั่งเปียชั่วโมงสองชั่วโม ง, งแล้วจะต้องเป็นเดือดร้อนอยังไรกันเมันไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนไม่ใช่รกายผู้ที่เดือดร้อนคือใจใจเป็นเดือดร้อนกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการนั่งเท่งนั้นเองเราก็ต้องแยกว่าหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ของหน้าที่ของใจใจไม่ใช่มีหน้าที่มายุ่งกับร่างกาย อยู่หน้าที่รับรู้ว่าร่างการเป็นอย่างนี้แล้วปล่อยวางเขาตามผานเป็นจริงของเขาเหมือนกับเราปล่อยวางตาราหลังนี้เราไม่ไปยุ่งกับตารางหลังนี้เราก็ไม่วุ่นวายถ้าเรานั่งคิดว่ามันจะพังเมื่อไหร่มันจะทรุดเมื่อไหร่ใจเราก็จะวุ่นขึ้นมาแหละแต่ถ้าเราไม่คิดไม่ไปกังวลกับมันแล้วก็นั่งได้สบายเรื่องการนี้ก็เหมือนกันมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ปล่อยอให้มันเจ็บมันปวดไป ร่างกายมันไม่รู้เรื่องความเจ็บปวดร่างการมันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนตึมันจะเป็นรู้อะไรเพราะฉะนั้นถ้ามบรรล้เวลาตายไปนี่มันคงจะดิ้นเวลาที่ไปเอาไปเผามันคงจะดิ้นน่าดูแต่มันไม่ดิ้นตัวที่ดิ้นก็คือใจแต่เมื่อไม่ไม่มีใจอยู่ในร่างกายแล้วเหมือนก็ไม่ดิ้นจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปสัตบเอาไปฟันเหมือนจะไปทําอะไรมันก็ไม่รู้เรื่อง แค่เรก็ต้องปล่อยหน้างกายคิดว่าเหมือนที่เป็นชาติกเนี่ยเป็นเหมือนชาติศึกร่างกายมันจะเป็นรายย้ายเหมือนเป็นไปเป็นางาที่เป็นผลเกิดจากการเป็นของหน้างกายก็ปล่อยให้มันเป็นไปะเราไม่สามารถที่จะนำกลับให้มันเป็นการความต้องการของเราได้เราก็ปลื้มใจเพียงแต่ให้รู้วไว้เจ่ายเป็นผู้รู้หน้าที่หน้าที่ของผู้รู้ก็คือรู้ อยากไปจุ่นอยกไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาที่ปัญหาที่มีความทุกขนเลกวันนึงเขายุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่าให้ก็เป็นอย่างนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้มันจะเรื่องของใจเท่านั้นที่ไปสร้างปัญหาให้กับตัวเองใจไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องยุ่งกับอะไรจะมีความสุขมากกว่าเพียงแต่ศักแต่ก็รู้ทั้งเองให้รับรู้ไว้ตามความเป็นจริงจักแต่ว่า องที่พระเจ้าทรงสอนชายคนอย่างที่เปกราบขอตางเทพต่างตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเดินดึงธบดอยู่แล้วพระเจ้าทรงตรว่าไม่ใช่เวลาที่จะสอนธรรมะท่านกับอีก็บอกว่าขอร้องให้ทูดซันๆกันละกันเพราสาอยากรู้ว่าแก่ธรรมะขางพเจ้านี่ยแก่ๆนี่กันยังไงแก่ของคาสอนเป็นยังไงพระเจ้าทรงตรัวสว่สาให ไม่ว่าจะเห็นอะไรจะสัมผัสกับอะไรกายก็ให้สต่ว่ารู้เท่านั้นให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปมีความคิดปรุงกันยไม่ต้องไปมีสัญญาว่าเป็นสิงนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นสัตว์เป็นยุคคลเป็นเราเป็นเขาไม่เห็นก็สัตวแต่ว่าเห็นได้ยินก็สัตว์แต่ว่าได้ยินเขาก็รับแต่ปฏิบัติ ก็ศรัทธาอยากจะขอบวนะก็เลยขอลาไปเตียงบริขารระหว่างทางก็ถูกมัวคึ้นตายเองพุตญาตของพราะก็ส่งให้จัดการชาปนกิจแล้วก็ให้สร้างเจดีเพื่อบรรจุอัฐิของช า, งงายคนนั้นเมื่อจะมาเล่นอถือว่าการการที่จะสร้างเจดีย์บรรจุอัฐินะนี่ค์นนั้ต้องเป็นพระอาหารหันต เพราะว่าเขาเขาเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาปล่อยวางทุกสิ่งที่อยากได้ปล่อยทุกอย่างเป็นตายตามความเป็นจริงของเขาเราไม่ต้องไปย่งไปเกี่ยวข้องกับร่างกายจะตายง่ายตายไปเททานาจะเจ็บอย่างไรถ้่าจนเจ็บมันจะเจ็บก็เจ็บมันจะสึดก็สึดแล้วแต่มันจะเป็นอย่างไร บางทีต้องอาศัยเวลาใกล้ตายตาเพราะเรื่องนี้มันจะปรากฏขึ้นมาให้เราต้องพิจารณาถ้าเราพิจารณาเป็นเกิดปัญญาขึ้นมาปล่อยวางได้มองเห็นว่าเว่าตื่นกระจ่างทุกครั้งแล้วนักตาว่าเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ไดเหมือนกับลมพัดเราไปบังคับลมไม่ได้ลมจะพัดแล้วก็บังคับไม่ได้ลมหยุดพัดแล้วเราจะให้มันพัดก็บังคับอไม่ได้ เป็ น, น, านยาขันห้าคือรูปวิจนาเป็นยาต่างๆมันจะเกิดกระดับเราไปบังคับมันไม่ได้มันเกิดมันดับไปตามให้เจ้าตัดใจของมันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่รับรู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางใจแล้วจะสบายอยู่ท่ามกลางของการเปลี่ยนใจได้โดยไม่ไม่หวั่นไหวเพราะไม่ยึดไม่เก็บไม่ไปอยากกับสิ่งต่างๆให้เป็นทางความอยากของใจกลางใจ ดีหมดอะไรก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้ถ้าอยู่่างนม้ได้รับสบายก็อยู่แบบมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอ ย, าย่างนี้อาหารต้องเป็นชนิดนั้นชนิดนี้ที่อยู่อาศัยต้องเป็นชนิดนั้นชนิดนี้คนที่เกี่ยวข้องด้วยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะมีอำนาจทางการเงิที่ว่าสามารถสั่ง เจอได้ทุกอยากพอไปเจอเวลาที่มันั่งซื้อไม่ได้ตอนนั้นจะทรมานใจมากเพราะไม่รู้จักปล่อยวางดังนั้นก็ขอให้เราพิจารณาขันห้าให้เห็นว่าเป็นการรักเป็นอนิจจังมีการเกิดขึ้นตั้งู่ระดับไปอย่ากพิจารษาจิจมันจะทำให้เกินการก่อทุดขึ้นมา เพราะว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใชลเรไม่ใช่ของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมนเหมือนกับเหมือนกับแดนเหนือกับยมเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาการรักษาต็องเป็นไปตามเรื่องของเขาเราเพียงแต่รักมือไว้แล้วก็เวลารักษาเข้าไปเอามาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับเราเแล้วเราจะมีแต่ความตลอดเวลา และไม่มีความคิดเข้ามาหยุดยั้งธรรมะทุกอ่างมีถึงขีดเพื่อนที่แท้จริงก็คือมรรคที่มีองค์แต่ชีวิตของเราเกิดมาก็เพื่อมาสร้างที่เพิ่อนี้ก็ต้องปฏิบัติมรรคนี้ไม่ว่าจะเป็นทางศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่คืองานที่แท้จริงคำว่างานธรรมะจริงเลี้ยงปากนี้ยงข้าวนี่เป็นงานสนับสนุน เพื่อให้เราได้ในเวลาได้ามาปฏิบัติสป็นของให้ท่านทงพยาม ย, ยึดจิตอยู่กับแนวทางของการปฏิบัตินี้แล้วเมื่อไท่านก็คงจะได้พบ ก, กับสิ่งที่ตรงกับความปรารถนาด้วยทการทุกคน มามีนะเราก็จะเป็นมาคดีฝากเข้ามานั่งสมาธิสองชั่วโมงนั่งสร็จมาเร็ทีตอนนี้เป็นปัญญาไม่ปัญญาก็จะนั่งไปเพื่อเพื่อเพื่อทำจิตให้สงบแต่ไม่ไม่คิดเองไม่คิดว่าดูไปทำไมอย่างนี้ดู คนที่เดินเล่าหรือสูบบุหรี่เขาก็ไม่มีตัางยางเขาเดินตอนต้นเขาเดินเพาะแสงคมกขาเดนเขาเดินเขาเดินต่างเขาพอเดินเล่ามันก็ติดนิสัยมันก็เ่ายากราก็เหมือนกันล้าก็ดูทีวีเหมือนกับแดดพอดูแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยพอว่างๆเขาจะทางานก็กปดทีวีดูเราไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลก็ดูไม่าำ แตไ่ไม่ว่าอยู่ทเฉยๆนั่งเฉยๆไมนมีเวลาดูไม่ได้ <c oughs> ไต้องมีอวลาดูนี่เรารู้ล้วามาฟังเทศธรรมธรรมเรารู้แล้วว่ามันเป็นหลักยาเสพติดมันเป็นโทษโดยโดที่เป็นโทษที่ระยดับในทางโลกก็ไม่ถือว่าเป็นโทษในทางธรรมนี่ถือว่าเป็นโทษเพราะว่ามันได้ทําให้จิตใจก้าวเนื้อ ไมุ่ดทนจากการติดอยู่กับยุคเกถึงวันพระมันต้องสื้อสินจะเนี่ยจะได้ติดทีวีได้ถ้าซื้อสินต่ได้ตลอดเวลาก็ขายทีวีได้เอาทีวีไปเลยจาคได้เอาสินให้ให้ครอบครัวไ่น้อยก็ได้ ยิ่งเขินไม่มากน้อยเลยเป็นการออกไปภาวนาเป็นฤกษ์ศีลเปนภาวนาวท่านอาจารยว่าตีวันท่นี้ปัญหากรงออกท่านตอบแล้วครับเก็ยังไม่ผ่านเลยรับติดเวทนาค่ะเมื่อเวลาพยายามไปเถิดมันมันเป็นมัน มันเป็นนิสัยของเราพอเจอการเจ็บกบมันจะหนีทันทีเราต้องฝืนบังคับหน่อยไปเรื่อยๆมันก็จะได้ดทันทีเลยนิสัยหน่นขยับไปเรื่อยๆถ้าไม่นอนก็น่าได้นานนั้นมันก็จะตะนงก็จะรู้สึกเฉยๆขอให้ทำไปเถิดเดี๋ยอย่าท้อแท้เรื่อยๆใหม่ๆก็เป็นเหมือนมวยอ่อนค่ะ ขึ้นไปเวทีราเจ้าได้หมัดสองหมัด ก, กันนอนเขานับนับแต่เราเอาประสบการ์นี้มาเป็นเป็นเป็นครูสอนเราแล้วเราก็ทำต่อไป <Okay. S 1> ทำได้เพราะทุกคนเริ่มต้นก็เริ่มต้นแบบนี้ทงนั้นเนระ่ม ล, ลุกคุ้มค่าอย่งละก่อนอยากจปเรียนถามปัญหาคุ้มค่านนมคะ ถ้าหากว่าเราพยายามเจริญสติอยู่ภายดนปัาจัยอย่างที่ท่านเคยกล่าวไว้ในหนังสือ น, น, นะคะ mm hmm. แล้วก็การเจริญสติเนี่ยคือหมายความว่าเรารู้สึกตัวตในเวลาว่าเรากําลังทําอะไรใชรไม่ท mm ักท่างคือความคิดเรานันไม่ไดุ้ง้ ง, ง mm hmm. ค่อมอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าเรากําลังทำอะไรอยู mm ่ต hmm. อนนี่นี่นี่คือรู้อยู่ในปัจจัยทานเนี่ย yeah. ได้แต่มันยังไม่พอเนียมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำจิตให้สงบเบื้องต้นเราต้องดึงให้มันมาอยู่ใกล้ตัวเราเมื่อมันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วถ้ามันยังคิดอยู่เราก็ต้องหาอะไรไม่ให้มันคิดหาอุบายทําให้มันไม่ให้มันคิดซึ่งพระท่านบองรูปท่านก็ใช้การบริกรรมพุโทโธควบคู่ไปกับการมีสติรู้อยู่กับการกระทําท ต, าตา่างๆ คือไม่ว่ากําลังสัดกวาดกาลังบินบตะบะกาลังฉันท่านก็พุโทโธไปคือแทนที่จะฉันไปฝัดกวาดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคือมันยังคาดว่ามันยังไม่ได้อยู่เต็มร้อยคืออยู่อยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ยังลับไคิดเรงนั้นคิดเรื่องนี้นอยู่ <c oughs> ก็ยังจะไม่นิ่แต่ถ้าเราดึงให้มันอยู่กับพุทโธไปด้วยในขณะเดียวกัน มันก็จะนิ่งมากกว่าที่ปล่อยให้มันคิดเลื่อยไปกันแล้วไม่แน่นะอาจจะสงบในขณะที่กําลังทํากิจกรจรรมฮาไหลกันได้หรือในขณะที่เดินจงกรมก็นได้แต่ความสงบนี้มันจะไม่เหมือนกับความสงบแบบหลับในล่งคนที่สติอ่อนและคิดว่าพอแรบคำทุตโตไปแล้วจิตสงบาแต่ความจริงกิจไม่สงบจิตมันหลับในไป ต่างๆกันเวลาจิตที่สงบด้วยสติเนี่ยมันจะมีความป็นตัวมีความแปลกประหลาดมาสจังมีความยืนมีความสุดมีความสบายมีความเบาใจคือถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้แนละ้วถ้าถ้าสงสัยตามแสดงว่าไม่ใช่ความสงบเปล่าแสดงว่าเป็นเป็นเป็นการถือสติเป็นการหลับในยืนเข้าของวังนเพราะที่หลับในขณะที่ยืนอยู่เนี่ยที่เดินอยู่เนี่ย จะมีคนมาถามเ่ามันก่อนเขาขับรถแล้วเขารถพุทโถพุทธโถไปด้วยแล้วอยู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามันว่างไปอขารู้สึกว่ามันว่างเหมือนจะว่ามันเขาก็ไม่รู้เหมือกันว่ามันเป็นอะไรเราบอกว่านันถ้าทางจะเป็นเป็นความว่างของของการจับสงบมากกว่าของการหลับใหลมากกว่าเพราะถ้ามันเป็นความว่างของสมาธิแล้วมันจะเย็นจะมีความรู้สึกมหาจักรใจ ยงไ น, นเราขับรถก็อย่าไปพูดธโทคือให้่าดูดูถนนดูรถไว้ป็นหลักแต่ถ้าเรามีสติมากพอแล้วเราขับรถไปแล้วเราคิดพุ้งช่านไปด้วยแล้วก็พูดโทไปด้วยก็ได้แต่าอสำคัญคำว่าสติก็คือการให้จิตอยู่ในปัจจุบัน ไม่ให้ไปในอดีตไม่ให้ไปในอนาคตไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่ที่ที่ตรงตรงนี้ยตรงที่กายอยู่กายอยู่ตรงไหนก็สติอยู่นั้นเรียกว่าเป็นกายกัตตาสติปัฏฐานสตินี่มีมีสีมีสีที่ที่เราข้างได้าที่พระเจ้าทงสอนให้ตั้งสติอยู่ตั้งไว้ที่กายก็ได้ตั้งไว้ที่เวทนาก็ได้ตั้งไว้ที่จิตก็ไดก็ดูความคิดกรุงแก่ของจิต ดูว่าจิตกําลังคิดอะไรกำาังกำลังคิดเรื่องที่ทําให้เกิดอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เนยเน้ให้คิดกับทำบทใบดบทหนึ่งก็ได้เช่นพิจารณาร่างกายก็ไดอาการตาจิตปางก็ไดพิจารณาใจรักก็ได้อ น, นิจังทุกขังอนัตตาถ้าถ้าจิตอยู่กับในเรื่องเหล่านี้มันจะไม่ตายกายมันจะอยู่ใกล้กับความสลด อยู่กับอยู่ใกล้กับความความรู้ซึ่งเราพิจารณาธรรมนี้นึงก็จะเป็นปัญญาตื่นจะอย่าไปอยู่กับเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องธุรกิดการงานซึ่งเหมือนก็พูดยากเพราะว่าในฐานะของชาว่านมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเหมือนก็ต้องคิดเห็น แ, แล้วว่าถ้ามันมีความจำเป็นต้องคิดก็ให้มัน คิดเท่าที่จําเป็นถ้าเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับลูกกับจานนี้ก็คิดว่าต้องทําอะไรให้เขาเมื่อรู้แล้วก็หยุดไม่ต้องไปคิดวิพากษ์วิจารณ์บ่วนว่าเขาหรืออะไรไปห่วงไปกังวลกับชีวิตของเขาเรื่องอะไรนี้นไม่จําเป็นจะต้องคิดก็อยากไปคิด เ, เรื่องื่องที่จําเป็นต้องคิดเมื่อคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็หันกลับเข้ามาอยู่ อยู่ที่ตัวอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมะก็แล้วพิจารณาผ่านตายรักก็แพิจารณาอยู่ร่างกายก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็แทั้งของเราและของคนอื่นก็ได้ถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นก็ได้ถ้าคิดในทางตายรักก็ยังเป็นธรรมะอยู่แต่ถ้าไปคิดร่างกายของค น, อนเองแล้วไปคิดถึงตึงดแบดบทางโลกไปไปห่วงไปกังวลไปอิจฉาหริอเส ไปอะไรต่างๆมันก็มันก็ไม่ใช่ละมันก็เป็นทางทางโลกเป็นทางจินตนะนี่คือที่ที่จิตสามารถที่จะเกาะติดอยู่ได้สี่สี่สสี่จุดด้วยกันที่กายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็ดูเวทนาของเราตอนนี้ใจเราเป็นยังไงเวเรามีความรู้สึกอย่างไนั่งากายเรารู้สึกอย่างไรไม่สุกไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุกไม่ทุกข์ เวลาหน we ีะหรือว่าเวลาเหนื Then, we we But, we aking, we so, ่อยก็รูกว่ามันเหนื่อยหรือเวลานั่งงานงานแล้วมันเจ็บทงนั้นปวดนี้ก็รู้มันเมื่อมเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยไปส่วนส่วนหญที่ต้องทําจําเป็นจะต้องต้องต้องดูแลมันก็ดูแลมันไปเส้นหินน้ําก็ดื่มน้ำหิ้วข้าวกินข้าวแต่ให้มันมีมันมีประมาณให้มันมีระดัเวลาไม่ใช่กินใหม่ๆก็หกินอีก อย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องต้องให้มันมีระยะเวลากินแล้วมันหิวก็ปว่อมันหิวกันว่าเอนี่ก็เป็นทุกข์เมตตาแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเยอยวยาเลนที่เรายวยาไม่ใช่มันเยวยาทุกเมตนาเราเยียวยาที่ร่างกายนั่นถ้าร่างกายกินอาหารพอแล้วสาหรับอันนี้มันอยากจะกินอีกก็ไม่ต้องให้มังกินมันหิวอีกก็อยากไปก็ปล่อยให้รู้ว่าเป็นความหิวว่าแล้วกันหิวได้เนี่ยมันอาหารหินได้ เนีเยมัน like in <ind> ู่อย่างนี้นี่คือการที่เจริญสติแต่โดยส่วนใหญ่ล้วก็จะี่ายที่สุก็คือให้อยู่กับการกระทาของเราเรากาลังทาอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำดังนั้นบางคนแล้วก็ใช้อุบายวิธีเวลาเขากินข้าวก็ก็ท่องไปเจ้ากินกินกิกินกินกินกิกินกๆนกินกินกินกินกินกนกิกินกินนนนนกก แต่งฟันกับแต่งแต่งแต่งแต่งูด <c oughs> คุยกตัวเองให้อยู่กับในเหตุการณ์ปัจจุบันมันก็จะมันก็จะไม่ไปคิดปุงแต่งปรุงสร้างไม่รอยไปไกลแล้วพอเราให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่พุทโธพุทโธพุทโธแต่อยู่พุทโธพุทโธได้ไม่นานเดวมันก็มลมอยู่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ไดาษัางนั้นการการเจริญสตินั้เป็นเพียง <c oughs> เพียงจุดเรื่องต้นทนั้นเอง เพื่อเป้าหมายก็คือให้จิตรวมลวงเป็นสมาธิให้เข้าสื่ความสงบเพราะจิตถ้ารวมลวงเข้าสู่ความสงบแล้วจิตจะเปลี่ยนเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือไปจากคนที่หิวโซซัดโซเซจะกลายเป็นคนมีความอิ่มมีความสุขมันจะช่วยตัดหรือช่วยลดความรุแรงของความอยากของความโลดของความโกรธของความเหนื่ด้าเยอะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ ้ามาตัดทําลายได้อย่างสิ้นเชิงนี่ยหน้าที่นี้ต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาเพราะความหลงนี่เกิดจากความโลภความโกรธนี่ความอยากนี่เกิดจากความหลงความหลงนี้จะแก้ได้ก็ต้องใช้ความรู้หรือใช้ความจริงเราหลงกับเรื่องอะไรก็เป็นเพราะว่าเราหลงเราไม่เห็นอะไรได้นักนเองเราหลงรักใครเนี้เราก็อยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆ นี่มันก็ผิดมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่เป็นไปตามธรรมเป็นจริงครัเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครอยู่ไปได้ตลอดเราก็จะไม่เป็นหลงรักกันถ้าเรามีถ้าเรานนมีปัญญาเรารู้ว่าทุกคนกันมาเดียวก็ต้องจากกันแหละเราก็ไม่รู้จะไปรักเขาทำไมจะหลงรักเขาทำไมหลงรักขเขาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเสี่องเสียใจเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เนนั้นเราก็ต้องจากเขาไป นี่คือปัญญาความรู้ปัญญาก็คือความรู้ในใจรักเถ้าเรามีความรู้ในใจรักในทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง้มีใจรักอยู่ในตัวหมดร่างกายของเราทุกคนมีอยู่นี้ก็มีใจรักอยู่น่สมบัติข้าของเงินทองเสารก็มีใจรักอยู่ในตัหวหมดถ้าเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเราจะเราจ ะ, จะจากับความโนภความอยากได้ปัญหาคือเราเห็นแต่ไม่ตลอดเวลา เวลาไหนที่เราเผลอความโลภความอยากมันก็จะมาหลอกให้เราไปคว้า ม, มาไปอยากได้เนาเป็นเป็นของของเราแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆนั้นการการปฏิบัติที่จะให้ได้ถึงถึงถึงว่าถึงคนก็ต้องมีการเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องใ่การเจริญปัญญ า, าได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานก่อน เขาไม่มีสมาธิใจไม่ตั้งมั่นมันไม่อยู่กับที่มันไม่อยู่ในเนกับตัวเป็นยังไงร้อยทิจนาได้อะไรได้สักครั้งเดียวเป็นไปแบบทิจนาได้แค่สองสามวินาทีไปเรื่องอื่นไปอยู่เรื่อยๆเพราะมันจะเหมนอนเรือที่ไม่มีไม่ได้ทอดสมอเวลาเราจะจอดเรือเทียบท่าเพื่อที่จะข น, ขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือเรือต้องจอดให้นิ่ง เช่นเราต้องทอดสมองมุดถูกเรือไว้กับเสาของท่าเรือแล้วเมื่อเรือจอดนิ่งเราจะขนถ่ายทิ้งก้างขนถ่ายคนขึ้นลงก็สบายทัในใดการที่เราจะขนถ่ายกิเลสออกจากใจขนถ่ายธรรมะเข้าสู่ใจก็ต้องใจใจก็ต้องนิ่งเหมือนกับเรือที่จอนิ่งต้องมีสมาธิดังนั้นไม่ว่าใครมามาปฏิเสธว่าปฏิบัติไม่ต้องมีสมาธินี่แสดงว่าเขาไม่เคยปฏิบัติ เนื้อปฏิบัติไม่ถึงขั้นนั้นเขาจะเพลี่ยแต่งให้มีสติรู้อยู่ตามรู้ตามรู้ก็เหมือนกับเหมือนกับตะคุกเงารู้ดูเงาของเราเงามันเดินไปข้างหน้าเราก็ตามมันไปข้างหน้ามันก็ตามมันไปอเรื่อยๆพอเราเดินมันก็มันก็ไปข้างหน้าของเราละใจของเราก็เหมือนเราตามรู้ก็รู้ไปดิมันก็ไม่ว่าเลยรู้ได้ก็รู้ไปดิแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าเวลามันโลกเราหยุดมันได้หรือเปล่าเวลาเราโกรดเราเราหยุดมันได้หรือเปล่า อาจจะหยุดได้เป็นครั้งเป็นคราวถ้ามันเป็นความโลภความโกรธที่มันอยู่ในวิจัยที่เราจะจะหยุดมันได้ความโลภความโกรธ บ, บ, บางอย่างมันก็แรงกว่าที่เราจะหยุดมันได้ขึ้นอยู่กับอุปรทานความยึดมั่นเสียมั่ของเราในเสิ่งต่างๆนั้นมีมากน้อยเพียงไรถ้าไม่ยึดมากก็ไม่โกรธมากนะของนายที่เราไม่รักมากไม่หวงมากเนี่จะเสียมันไปก็ไม่ไม่โกรธไม่เสียใจมาก แต่ของไนที่เรายึดมากหวงมากนี่มันจะกู้ ม, มากจะเสียมากเสียเสียเได้มากมันก็จะหยุดความโกรธได้ยากแต่ถ้ามีสมาธิแล้วหยุดได้มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นโทษของความเปิดเห็นโทษของความหลงเห็นโทษของความโลภว่ามันทําให้เกิดความทุกข์เพื่อนในใจมันก็จะหยุดได้ การที่จะตัดอะไรได้มันต้องเห็นโทษของมันคือเห็นความทุกที่ใจไปทุกข์กับสิ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันทุกข์ามาเราไม่ร้จะมีเหมือนไรทำไมเนี่ยนั่นไปดีกว่าจะไปก็ไปอยู่แบบไม่มีดีกว่าต้อเห็นทุกข์ที่จะดลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็องเห็นทุกที่เกิดขึ้นในใจถ้าเห็นทุกข์ก็จะเห็นเห็นต้นเหตุของความทุกข์ ก, ก็คือสิ่งที่ความอยากนะครับ มาเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็ตัดความอยากนี่เอาไม่เอาก็ได้เขายากจะได้ก็เอาไปเป็นเรารักสามีลรามาเนี่ยแต่ทุกข์กับเขาแล้วจะไคนนั้นจะมาจีบคนนี้ก็มาคอยมาล่าอดิบเนี่ยก็ให้เขาไปเลยหายทุกข์เลย คือนั่งสมาธิเนี่นะคะเวลานั่ง ท, าทงะะง่าที่สบายสบา ย, ยนะคะจะนั่งได้ตินิ่งเร็วแล้วก็นั่งได้นานที่นมงนนก็สา ม, มารถที่จะพิจารณาหรือได้รับได้นะคะแต่ถ้านั่งท่าสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยจะนั่งได้ไดนานนะคะน<ฮ>ั่นจะเลื่องวิธีนั่งไม่ได้ไหมคะได้ได้นั่งท่าไหนก็ได้แต่ยอมพู้ในฐานะคนที่นั่งปฏิบัติ แต่มันจะนั่งท่านั้นได้<ม>เขาว่านาของโยนนี่ก็คงจะไม่นานสำหรับคนที่เขาปฏิบัติมากกว่านห้น<ม>อ่านั่งถัดสมาธินี่มันเป็นท่าที่นั่งได้เป็นเวลาหลายร้อชั่วโมงจะนั่งก็สบายถ้านั่งอยู่นั่งห้อยเท้านั่งเข้าอยู่มันจะนั่งไปสักพักแล้วมันรู้สึกว่ามันจะโคงายมันจะโยกไปโยกมาง่ายดีไม่ดีอาจะล้มไปกได้ มันไม่เหมือนกนารมาลานั่งท่าคัตสมามันการมีฐานที่มั่นคงแล้วจะนั่งได้ได้ยาวนานกว่าในเริ่ต้นเราก็นั่งแบบท่าสบายไปก่อนแล้วเมื่อเราเรามีความํานานในการทําจิตใจสวบได้ในระดับหนึ่งนะเราก็ลองมาปรับนั่งแบบท่าที่จะทําให้เรานั่งได้นั่งนั่งท่าขัดสมาแล้วเราก็พยายามใช้ความความชานาในการทำสมาธินี้พาให้เรา นั่งผ่านการนั่งท่าแบบไหนต่ได้คือมันอาจจะรู้สึกขัดบ้างเพราะว่ามันไม่เคยกินนั่งในท่ากัตมัติเพราะว่าเราต้องนอเท้าเข้ามานอทขาเข้ามามันก็จะรู้สึกว่ามันตึงๆแข็งๆอะไรนี้แต่ถ้าเรามีความจำนาในระดับหนึ่งในการนั่งสมงาธิใจของเรามีาการตลออยู่ในระดับหนึ่งมันก็จะไม่ลำบานว่าสุดเกัด ก็ควรจะลองคะลองลองลองขยับขึ้นไปดูผมว่าถ้าเราอยากจะปฏิบัติให้ได้มากยีขึ้นได้นานีิขึ้นนี่อาจจะต้องหมายถึงตอนที่เราปฏ kind of ิบัต in ิตลอดเวลาหรือไม่มีภารกิจการอะไรมาอุ่งเป็นแบบนักบวดอย่างนี้อย่างนั้นอาจจะอาจจะใช้ท่านั่งขัดสมาธินี้จะได้ประโยชน์กว่า แต่เบื้องต้นอย่าให้ท่านั่งนี่มาเป็นอุปสรรคต่อการได้ทําสมาธิพลังกั น, ว, กนว่าเราก็นั่งไม่นานครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนย่างนี้ก็ถือว่านานแล้วงั้นจะนั่งในท่า น, น่งก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะนั่งนานสองสามชั่วโมงขึ้นไปจะทั้งนี้นั่งในท่ากับสนานี้นจะจะสบายกว่าถ้าถ้ามันเริ่มนั่อนชินแล้วมันจะนิดสบายกว่าตรงนีนมันก็อยู่ที่ความเคยชิน ลเลราต้องนั่งเนื้อท่าที่เราไม่เคยกินก็จะรู้สึกว่ามันขัดขัดแข็งแข็งแต่พอร่างกายมันจะปรับตัวถึงกล้ามเนื้อต่างๆก็ๆได้รับการปรับปรับตัวต่อไปมันก็จะไม่รู้สึกขับรู้สึกลำบากตจะอนนี้ก็ลรงลองสิกขาดูาไว้แล้วกันน <c oughs> ครับครับเร่อนจะอธิบายใรูปทางเรื่องผู้ปกติเนี่ยนะคะน <c oughs> ี่ก็สทรงสมวัตขับรถมาทํางานแล้วเมื่สังเกตดินมีคนว่ากมี่อเอกสารมาทางถนนแตน่แปลกพอเข้ามาเจอสามคมเขานั่งลงว่ายได้แล้วก็เลยขาตรงนั้นนะตรงนั้นเป็นสัญญาของเ้าในความจําหรือตรงนั้นแต่ น, นุสติก เอาข้าวคือซืออเหมือนกับมันไม่ต่อเรื่องแต่ตรงนี้เขาจําได้ว่าเป็นของคงเป็นของดีหลองเขาเขาจําได้คือถ้าเห็นอะไรจําได้มันก็ต้องเป็นสัญญาหรือว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรพอมาเจอสารและภูมเนี่ยสัญญาจะโผล่มาบอกให้ใน ส, สิ่งที่สาบสิทธ์นะต้องแสดงตามเขาแล้วก็เขาก็มีสติอยู่ในระดับที่จะรับรู้สัญญา นั่นได้เขาก็สแสด ง, งความคติแต่ถ้าเขาไปเห็นในสิ่งที่เขาไม่มีสัญญาไม่รู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติกันสิ่งใั้นอย่างไ น, นเขาก็ปล่อยไปตามความสบายใจของของใจในขณนะนั้นใจอยากจะคิดอยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้มันทําไปอยนี้จะกระโดดโลดเต้นอยากจะระ้ อ, ะ อ, งองห่มร้องไห้ คนบางคนไม่รู้จักพระอรหารพอเจอพระอาหารก็ไปรูปหัวท่านก็ได้ <c oughs> ก็หลังเจอพระบางทีเขาอยู่เขาอยู่ใช่ไหมแต่เขาไม่มีสัญญาว่านี่คนนี้เป็นคนที่ต้องให้ความเคารพแต่ล้วเขาไปเจอประธานาธิบดีอของเขานี่เขาก็จะแสดงความเคารพแสดงความนอบน้อมมันหล่อ น, นี้เรียกว่าสัญญาถรกไหมสัญญา แต่สตินี้มันมีอยู่ด้วยกันทุกคนจะมีมากหรือมีน้อยท่านนั่นคนที่เทียสตินี้มีมีสติน้อยมากคือใจนี่มันไปตามความคิดตรงต่างๆที่มัอยู่ในใจไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์รอบด้านแล้วก็ไ ม, ไ ม, ม่ไม่มีสัญญาความจําที่จะแยกแยะ ว, ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นใครเป็นอะไร ควรจะพ้อปฏิบัติครับนั้นเหตุนี้ได้อย่างไรแต่คำว่าสตินี่มันเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่ดึงใจท่านนั่นเองดึงใจให้ใ ห, ให้ให้รับรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบันนี่คือตัวสติถ้าใจไม่รับรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ก็ดแสดงว่าตอนนั้นไม่มีสติเหม่ลายเขานั่งอยู่ตรงนี้แต่จะไปคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องคนที่เขาเสียออกเสียใจเสียคนรักไปเนี่ยเขามักจะเหมือ่รอยเราก็จะคิดถึงอดีตคิดถึงความทรงจําในอดีตต่างๆอยู่ตรงไหนก็นั่งคิดถึงถ้งถงาเหมอรอยไปเพราะมันเป็นความสึก ข, ของเขาเขามีความยึดติดอยู่กับความสุขแบบนั้นแต่ตอนนี้ในปัจจุบันไม่มีให้เขาแล้ว เราก็ต้องไปหาความสุดนั้นในอนดีตใจก็เลยเหนือ่อยลอยจะคิดถึงเเรื่องอดีตที่ผ่านมามันก็จะพอคิดแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์เพราะมันเป็นเพแต่ความฝันอยากจะให้มันเป็นในปัจจุบันนั้นก็ไม่เป็นอยตางนี้นก็เกิดความทุกพอทุกครั้งที่มาเจอปัจจุบนันมันก็จะรับกับปัจจุบนันไม้นด้ก็พยายามที่จะหนีปัจจุบันอยู่เรื่อยๆบางคนก็ข้าไปเปิดดูรูปเก่าๆ มดนเสื้อผ้าเดูอะไรเก่าๆอ๋อมันแสดงว่าไม่มีสติแล้วถ้าคนนี้มีสติครับต้องตัดและอดีตผ่านไปละตายเวลาจบละเราต้องชีวิตของเราต้องทุกเหตุการณ์ในต่างมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่มันไม่เกิดในอดีตและมันไม่เกิดในเร็วมันเกิดในปัจจุบันดันั้นเราต้องตั้งหน้าตั้งใจอยู่ในปัจจุบันร่างกาของเราจะจะ จะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่สับสนแ่ถ้าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยความอุปทานความยึดติดในอดีตกันเลยน่นาอนาคตกันบางคนก็มองไปนอนาคตว่าปัจจุบันเรานี่ไหนมัแสนทรมานอนาคตข้างหน้ามันจะดีกว่ากหน้างฝันถึงอนาคตเยอะเนี่ยเช่นบางคนก็รอวันหวยออกเนี่ยก็คิดถึงดาวนั่นเมนกัน ตอนนั่นหุ้นก็นคอยดูแต่หุ้นตัวนี้อยู่เมื่ออยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่ในปัจจุบันแล้วมันก็จะปล่อยวางคิ่งางได้มันก็จะไม่พึ่งพาสิ่งต่างแต่เราไม่ไม่ไม่อยู่ในปัจจุบันกันเราเราชอบฝันชอบคิดถึงตอนสุดที่เราจะได้รับในความสิ่งที่เราเคยมี เราเลยมองข้ามความสึกท no like ี่แ <jugar> ท oh ้จริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไปเราก็เลยไม่เคยเจอไม่เคยเจอของจริงก็คือเราอยู่ในโลกของความฝันอยู่ตลอดเวลาหัวใจเราไม่หนีไม่มีเสถีเราต้องดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีเวลาจะวิจิตรภาปัจจุบัน ปัจจุบนั้นไม่มีอะไรทุกอย่างก็จัดกันแล้วตามความจริงนะฉันรู้ว่ามีการเปลี่ยนใจอยตลอดเวลาแต่ใจเราเรื่องเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันขยับอยู่ตลอดเวลาเวลาเรานั่งอยู่ี่เฉยนี่เราเห็นก็นั้นเดินไปคนนี้เดินมาคนนั้นนั่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่งไปนะอาตมาเคยไปนั่งที่โรงยาบาลรอหมอเนี่ยเห็นเห็นคนใข้ก็เห็นเขารอหมอ เนี่พะนั้งกันกน้างแล้วจะเกิดนึกซื้อดูเนี่ยอารมณกันเดียวเทวรัตน์เดีวถ้วเดินไปตรงหน้าต่าง <laughs> อยู่เฉยไม่ได้ไ <laughs> <laughs> ม่มีสติถึงแม้มีแต่มันไม่พอคือสตินันมีหลายระดับสติแบบแบบปุถุชนก็อย่างนี้แหละก็มีบ้างมีเท่าที่จําเป็นเจะจำเป็นจะต้องมีก็มีพอไม่จําเป็นก็ปล่อยไป ใช่ก็ถ้าใจไม่ตั้งมั่นกับมันกับดาราที่เราจะเทน้ำอะไรใส่ลงไปในแก้วถ้าแก้วมันเลื่อนไปเลื่อนมาน้ำน้ำก๊อกที่อยู่ น้ำน้ำกรองที่เราเปิดนี่มันก็จะไม่สามารถเอาใส่เข้าน้ำเข้าไปในแก้วได้เวลาเราจะไปลองลองง้ำในในกรองน้ำเนี่ยถ้าเราใจสั่งมือสั่งเนี่ยบางทีน้ำมันก็จะไม่แก้วมันจะไม่เองรับงานอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนเมาเนี่ยบางทีให้ไปทําอะไรอย่างนี้อย่าทำก็ได้เพราะไม่มีสติ ป, ประครับประคองใจให้ตั้งมัน่นให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การพิจารณาเรื่องปัญญานี้มันจะต้องใช้เวลาไท่คนเป็นเวลายาวนานเพราะมันมีเหตุมีผล ท, ที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ถ้าเราคิดได้เพียงวักเดียวแล้วมัน ไ, ไปแล้วเลยมันก็เลยไม่ได้ข้อสรุดสติพิจารณาเดียวเดียวมันก็ไปแลยเพราะมีอารมณ์อี่ยงอื่นมาม า, มาดึงปไปมาผักไปแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันมันจะไม่มีอารมณ์ ที่จะมาคอยผักคอยดึงไปขึ้นอยู่กับว่ามีสมาธิหนมากน้อยอย่างไรถ้ามีมากอารมณ์ที่จะผลักไปก็น้อยถ้ามีน้อยมันก็ยังมีอารมณ์ที่จะผักไปได้อีกเหมือนกันแต่สมาธิในแต่ละระดับก็สามารถรองรับการพิจารณาได้ในใ น, ในระดับของสมาธินึ้งๆถึงว่ามีสมาธิอยู่ห้านาทีก็พิจารณาสัญญาได้ห้านาที ถ้ามีสมาธิมีสมาธิได้สามสิบนาทีมันก็จะพิจารณาได้สามสิบนาทีแต่การพิจารณาปัญญานี่มันต้องพิจารณาทั้งวันเลยถ้าทุกลมหายใจ ก, ก็ออกอันนี้ปัญญาทางธรรมนี่ต่างปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกเพียงแต่คิดแล้วพอได้ขอ้อสรุปแล้วก็จบแต่ปัญญาทางธรรมนี่บางทีต้องมีอยู่กับใจตลอดเวลา พราะพอเผยปั๊บกิเลสมันเข้ามาแทรกได้ทันทีดังที่ผู้เจ้าทรงสอนถ้าอนุหน่ให้ทุกนาฬิาความตายทุกประหมาจใจเข้าออกถ้าพอเผยปั๊บเดี๋ยวกิเลสมันจะเข้ามาแทรกให้อยากอยู่ต่อเนี่ยให้อยากอยู่เป็นนานๆแต่ถ้ามันมีความที่ว่าจะต้องตายทุกประหมายใจเข้าออกนี้ในความคิดที่จะเข้ามาแทรกให้อยากจะอยู่ไปนานๆอยู่เกินอยู่เกินความจริงนี้มันจะไม่มี เมื่อมันสามารถคุมไอความคิดที่จะมาแร้งมาให้หนึ่งเข้ามาแร้งนะแล้วต่อไปก็ไม่ต้องคิดก็ได้มันมีเพียงไว้เพื่อส ก, กัดไอความคิดของกิเลสเท่านั้นเองเมื่อมีความจริงนี้มาสามารถส ก, กัดความคิดของกิเลสได้ทุกขณะและ้วกิเลสรู้ว่ามันคิดโผล่ขึ้นมาทีไรมันก็จะถูกส ก, กัดทุทีต่อไปมันก็ไม่โผล่ไไขึ้นมาเอาไม่โผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องนี้อีกต่อไปเรารู้อว่าหมดปัญหาแล้วสําหรับเร า, เ ร, าเรื่องความกลัวตายไม่หมดปัญหาเลย แล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาทีไรไอ้ความจริง ท, ท, ที่เราพิจารณาหยุดเสมอว่าจะต้องตายนี่มันก็จะมาจับไว้ทาให้ความกลัวตายไม่เกิดขึ้นนี่คือการทีร่เป็นทาปัญญามันตางทางโลกทางโลกเราพิจรารณาว่าาจะต้องทําอะไรจะต้องแก้ปัญหายอย่างไรไมารู้นะเราต้องไปแก้อันนั้นหนึ่งปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมนี่มันเป็นปัญญาทาี่ต้องมีอยู่ในปฏิจุบันทันท่วงตลอดเวลานะครับ ในทุกปัญาถ้าตามได้ยังมีกิเลสที่จะมาคอยคอยบุกมาทําลายใจเราตอนนั้นก็ยังต้องมีปัญญาเหมือนกับทหารที่ยังต้องคอยคอยรักษาประตูเมืองเวลามีกา้าวศึกศัตรูจะบุกเข้ามาก็ต้องมีฐานเข้าอยู่ตลอดเวลาแต่พอไม่มีกา้าวศึกัตรูมาแล้วฐานก็กลับเข้ากรมเข้ากองเข้าบ้ า, า, บานเปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่มีใครมาทำํำลายมีปัญญาทางทางศาสนาเป็นทางธรรมะอย่างนี้น การเจริญจึงต้องเจริญแต่ทุกลงหายใจเขาออกจึงมีความมั่นใจว่าจะทานกับกิเลสทุกทุกตัวที่จะเข้ามาก่อกวนมาสร้างมาหลอกให้ใจไปโลภไปโกรธไปอยาบไปทุกข์กับเรื่องอะไรได้เมื่อเมันรู้ว่ามันมันมีอยู่ปัจจัยตลอดเวลาแล้วสามารถทํารู้ทันกับกิเลสทุกชนิดได้แล้วมันก็หมดปัญหาไป เมื่อกิเลสมันไม่โมาแล้วก็ปัญญาก็ไม่ต้องทำงานก็จะมีแต่สัตว์แต่ว่ามงอยู่เฉยๆ ไ, ไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาแต่จะพิจารณาเฉพาะตอนที่ยังไม่เข้าใจตอนที่ยังหงลงอยู่เพื่อแก้ความหลงความหลงมั้นทำงานอยู่ตลอดเวลาปัญญาก็ต้องทำงานตลอดเวลาจึงต้องอาศัยสมาธิที่ที่ที่มีอยู่ตลอดเวลา ถ้าปฏิบัติไปถึงระดับนึ้ก็สมาธินี้มันจะมีอยู่ตลอดเวลาไปทั้งทีวียาบทีสี่มันไม่จะเป็นแต่สมาธิแต่เพอเวลาที่เรานั่งอย่างเดียวนั่งหลับตาอย่างเดยวแต่มันจะมีความสงบนิ่งตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งคุยกันอย่างนี้ในขณะนี้มันก็สงบตั้งมั่นอยู่แล้วมันมันมีความเปล่ยนตัวรับรู้การการเปลี่ยนแปลงภายใจิตใจตลอดเวลามันจะวัดไปทางไหนมันจะรู้ทันตลอดเวลา นี่เป็นสารที่ผู้โกะต้องปฏิบัติถึงจะถึงจะเข้าใจถึงเราถ้สเกิดสหรับคนที่ทุ่งนั่งสำหรับทุ่งคนจะจําหวัดไที่ไหนไดคะที่ใดจึงหมายถือว่าที่ท้องนี่นะคะที่ใดที่หนึ่งที่เราเห็นว่ามันมันมันชัดมันมันเราเรามีความสะดวกเราถนัดกับเรา จะนั่งทำสมาธิไ ม, ม่ถึงสี่สิบวิธีด้วยกนกรรมฐานสี่สิบชนแต่ส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะใช้พุทโธหรือใช้ลมหายใจผ่าออกหรือในเบื้องต้นก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนเพราะสำคัญก็ขอให้เราอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะสวดมนต์ก็สวดไปอย่าไปคิดเรื่องท่า ถ้าชอบพุทโธก็อยู่กับพุทโธอย่างนี้ยถ้าพุทโธก็ไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะต้องไปคิดถึงลมก็ได้ให้อยู่ตะกับอยู่กับคําโดยําไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงลงมว่าอยู่ตรงปลายจมูกอยู่ตรงไหนถ้าต้องการรูลมอย่างเดียว <c oughs> <ๆ S 2> ก็ไม่ต้องคิดถึงพุทโธเลยก็ได้ให้รู้ลมว่ามันเข้าออกตรงไหนบางคนถนัดที่ปลายจมูกก็ดูตรงที่ปลายจมูกบางคนถนัดที่หน้าท้องที่กลางอกก็กให้รู้อยู่ตรงหน้าท้องที่กลางอกที่เรียกว่ายุบเนอะฟองเนอ จะพูดตามก็ได้ไม่คู่ก็ได้ยุกหนอพฟองหนอนี่ยจะพู่ก็ได้ไม่พู่ก็ได้ถ้ารู้ว่าเข้าหรือว่าออกยก็ให้รู้อยู่ตรงนั้นก็ได้ก็สํำคัญให้มีมีจุดดาวทุนหนึ่งให้เปนที่เกาะของจิตไม่ให้มันลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นแค่นั้นเองถ้าอยู่ลมแล้วมันยังคิดอยู่นี้ก็บางทีก็ต้องใช้บริการพุทโธพราะคู่ไปด้วยก็ได้ลมเข้าก็พุทโธลมออกก็พุทโธหรือลมเข้าก็พุทโธลมออกก็พุทโธ หรือถ้ามาคิดว่ากดึงลงไม่ได้ประโยชน์ก็พุทโธรูปเดียวอะไรก็ได้อันอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่คนแต่ละคนแจะมีความถนัดไม่เหมือนกันและการระดับจิตของแต่ละคนก็ไม่ไม่เท่ากันดนั้นการปฏิบัติของการละคนนี่มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะคนเวลาคนหนึ่งก็แค่ทีนี้นะก็ามาเล่าว่าดี แต่เราไปใช้ดูมันไม่ดีเราก็แเราก็เราเราก็อาจจะต้องใช้ยุทธิ์หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสติเราไม่ดีก็ได้คือสติเราไม่มีกําลังมากพอไม่สามารถบังทับใจให้อยู่กับงานที่เราให้ให้ให้จิตทําอยู่ให้อยู่กับพุทโธก็อยู่ได้รับเดียวแล้วก็ไปคิดเรื่ององื่นถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อยู่ที่อยู่ที่พุทโธ แต่อยู่ที่สติมันก็ต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่าอย่ามาทําฝึกสติแต่เฉพาะเวลานั่งเดียวควรจะเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไปเลยให้มีความรู้สึกอยู่อยู่ใกล้ตัวเราเสมอให้จิตอยู่ใกล้ตัวเราให้อยู่ในปัจจุบันเสมออย่าให้ลอยไปที่อดีตที่อนาคตที่ที่อื่น ถ้าอยู่กับที่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้เวลาให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะมันก็จะอยู่กับพุโทโธเพราะมันมีมีมันมีเชื่อคอยดึงดึงจิตไว้ไม่ให้ลอยไปเพราะการจเจริญสติเป็ น, นเรื่องสําคัญที่ท่านสอนว่าให้ตามรู้เพว่หมายความให้มีสติรู้อยู่กับกับความคิดของเราจะมนคิดอะไรอยู่ให้รู้ เวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้พอรู้แนละ้วมันก็จะไม่ต่อเนื่องพอเราคิดเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเราอะเราเผลอแล้วนะเราเราคิดถึงเรื่องคนนั้นแล้วนะพอรู้แล้วมันก็หยุดคิดอารมณ์ต่างๆก็ก็ดับตามไปแต่พอเราเผลอไ ป, ปัดก็คิดอีกแลก็เลยตั้งพยายามหนึ่งมาอยู่เรื่อยๆนี่อุบายวิธีที่จะทำให้มีสติของแต่ละคนนี้ก็ต้องเอาไปเอาไปคิดค้นกันเราเอง คือหลักใหญ่ๆก็คืออยให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาวิธีหนึ่งที่ที่ทําที่จะช่วยก็คือต้องอยู่คนเดียวต้ออยู่กันหลายคนแล้วมันต่างคนต่างดึ่มกันเต็มหมดคนนั้นคนนั้นก็ชวนเราคุยเรื่องของเขาคนนี้ก็ชวนชวนเราคุยเรื่องของเขาแล้วก็ชวนเามาคุยเรื่องของเรา ใจมันก็เลยลอยไปลอยมามันจะอนเดียวถ้าอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีอะไรมาคอยยิงไปแต่มันก็ยังมีอารมณ์ภายในที่คอยยิงไปแต่อย่ามันก็น้อยลงท่านที่สอนว่าการภาวนาเนี่ยจะต้องอาศัยการปิดวิเวกสามแม่ทุกข์คลีกันถ้าอยู่คนเดียวถึงแม้เวลาจะมาทํากิจกรรมร่วมกันก็ไม่ให้สนทนากัน อย่งางพระที่ปฏิบัตินี่เวลาท่านมาทํำปิติวัตร่วมกันนี้ท่านจะไม่คุยเัยใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปบัดกราทําทำอะไรก็ทําไปไม่ให้ทำไปแล้วคุยกันให้มีสติอบอกงานที่ตอนนีงกําลังทําอยู่เน <Yeah. S 1> ี่ยับพระปฏิบัติท่านถึงอยูแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับท่าน ทะเลาะกันท่านไม่คุยก <time> ันฉไม่เคยสมัครคนเอออย่างไงในพระต um ่ายเจดีหลวงจะมีม <sm> ีมีเรื่องที่สามารถเห็นพระว่าท่านไม่คุยกันเลยนี่ว่าเวลาท่านทำกิจกรรมท่านก็ทํท่านต่านตางันอาจารย์สามาสงสัยว่าพท่านโกรธหรือเปล่าท่านไม่ได้โกรธกันหรอกท่านพยายามควบคุมใจท่าน ยืนใจท่านให้อยู่ใกล้ตัวท่านไม่ให้ไปไปไปคิดกับเรื่องต่างๆแล้วมันจะยืดเยื้อใจยาวพอเริ่มคุยกันแล้วเดี๋ยวเรามีเรื่องมาต่อทั้งเดีอยู่ว่ามองเลยนะคุยกันคุยนตรงนี้พอคุยกันตรงที่ที่ฉันน้ำชาพอฉันเสร็จเดินกลับปกติก็เดินคุยกันคู่กันพอไปนึกปติองนั่งก็อย่าไม่แยกไปยืนคุยดังนั้นน้ำตินั่งยืนจ่ก วั น, นี้เอาไปเลย <c oughs> มันมการรามนาที่ท่านสอนว่าถ้าอยากจะให้ได้ผลก็ต้องมีธรรมะอย่างหี่สนับสนุนพื้นฐานก็คือทานกับศีลทํอยามมได้ดานแล้วก็รักษาศีลแล้วนอกจากนั้นก็ต้องมีมีสิลพิเศษคือศีนแต่ใช่นี้มีการมีการ รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารคือถ้าทานวันลามมื้อรับประทานวันลา้ก็รอดเหลือแค่เมื่อรับประทานอาหารจากเช้าวันกันแล้วถ้ายัางฉันสองมือ้อสมื้ออยู่ในวันนั้นก็ลองตัดให้เหลือมื้อเดียวโดยถ้าฉันมื้อเดียวแล้วรู้เสึกว่ายังมีพลังมีกําลังมากวิเลสยังมียังมาแรงก็ให้อุาหารดูบ้านก็ได้ อบรมฐานที่สามวันที่สามวันห้าวันเทเวลาอบรมฐานรอบกี่เดือนมันจะอ่อนกาลังลมันจะอ้วนวงส่วนเงี้ยจิตจะร่อนยาวสำนึง่ายขึ้นนี่ก็เป็นเครื่องช่วยอย่างอีอย่างก็คือการจับมือตาหูจมูกยิ้มการอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นทั้งมือไว้ติดตามปิดหูปิดจมูกปิดยิ้มปิด ติดกายนี้ปิดทวารทั้งห้าแล้วก็มีเนื้อเนื้ อ, อ, อ, อทวารเดียวทางออกทางเดียวก็คือทางใจงก็มีสติคอยเฝ้าอยู่ตรงนั้นก <_ S 1> <โ>็ต<โ>้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมะญาณกิเ่ยมันจะออกทางทั้งหกทวารออกทางใจออกทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเสียรูปเสียงอยูเรื่อยนะครับถ้าเราจำนวนหนึงตีแล้วก็ปิดทั้งห้าประตูปิดตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะว่าเป็นใช่ไหมหรือไเพราะว่าปิดตาตุ้งหูอะไรมาอุดหูเนื่องจากว่าอย่าไปฟังอย่าไปดูอย่าไปอะไรไ ป, ไปดื่มไปเกีินไปนุ่มรดอะไรไปกลับในสิ่งที่มันไม่จําเป็นแล้วก็เราจะได้เห็นกิเลสออกมาชัดเพราะว่ามันจะออกมาทางใจแล้วลาก็จะเข้าอยู่เมืนที่ใจเรื่อยสติเวลาโลกขึ้นมาก็จะ เห็นเวลาโกรธขึ้นมาก็จะเห็น <c oughs> เวลาจะควบคุมจิตให้สงบก็ง่ายเพราะเป็นแต่ควบคุมอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวจิตก็จะสงบง่ายแล้วทำไถึงต้องไปอยู่ทางวัดสาวัาเขากันทวไาต้องไปถือถุงแตกกันทำไมต้องไม่ดูหนังฟังเพลง ไปหาความสุขทางตาหตรือสมุนไพรเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันเป็นวิวร์เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิและปัญญาถ้านั่งดูโทรทัศน์ไปสองยั่วโงนี้มันก็เสียไปแล้วเราเวลาสองอชั่วโมงมานั่งสมาธ่มาเดินจนกล่งนี้มันจะได้ประโยกว่า <c oughs> แต่เรานั่งไม่ได้เพราะถ้าเพราะมีกรรมฉันทะความยินดีในเรื่เสียงเกล็ด อยางอยากจะเจดูยังอยากจะดูยังอยากจะฟังอยู่แล้วเนี่ยนิวรมีอยู่ห้าห้าห้าตัวด้วยกันาการมัธยฐานานี่จะเป็นอยา่างี้ชอบดูโทรถ้าชอบดูหน่งฟั ง, งเพลงชอบไปกินอาหารเย็นกินเลี้ยงอะไรต่างๆรียกว่าการมาัธยฐานชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มีโจงก็คือความลังเล็สงสัย สงสัยว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือเปล่าแล้วผลที่ได้มีจริงหรือเปล่าหรือสงสัยในความสามารถคงตัวหนงว่าถ้านี้เกิดมาไม่มีวาสนาที่จะได้อะไรกับเขาอย่างน้นปฏิบัติให้มันเสียเวลาเลยทำอสสันี้ก็ต้องแก้ด้วยการเจ้าหาผู้รู้ไปได้ยินได้ฟังจากผู้ที่เขาสำเร็จมาแล้วเขาได้ประโยชน์แล้ว เนี่ยคนที่เล่นหุ้นแล้วไม่รวยทักษิก็ต้องไปหาคนที่เล่นหุ้นแล้วรวทา ง, งกถามเขาดูทำยังไงเนี่ยเหมือนกันแล้วอยากจะไปไปถึงมรรคผลนิทานก็ต้องไปหาพระที่พระหรืฤทัยก็ได้ที่บรรลุมรรคผลนิทานนะให้ฟังให้ท่านเล่าให้ฟังวิธีแล้วก็ทําให้เราหายหลังในสงสัยได้แล้วลต้วที่สก็คือความงงเหงาหอานอน อันนี้ก็ต้องแก้ด้วยการรับประทานอาหารพอลงมาหรืโต้องอด อ, อาหารเท้ออานานแล้วมันทำให้ไม่ ง, วง่วการมันจะหิวแล้วมันก็จะทําให้พุ่งซ่าแทนที่จะงงข่าห้องนอนมัพุ่งซ่าก็ต้องคนที่จะอด อ, อาหารได้ก็จะต้องมีสติอยู่ในระดับหนึ่งมีมีกำลังที่จะระงับความพุ่งซ่าให้ได้ถ้าระ ง, งับไม่ได้การอดอาหารก็ช่วยไมไ่้ก็ต้องใช้ที่อื ถ้าไม่อดอาหารก็เวลานั่งนั่ง่วงก็ลขึ้นมาเดินอย่านั่งอย่านั่งหลับไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงแมจะนั่งได้หลายชั่วงโมงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะเพราะมันนั่งหลับม้นไม่ไดนั่งภาว น, นาแล้วลกขึ้นมาเดินหรือไปหาที่น่ากลัวที่เปียกๆที่น่ากลัวเืเดี๋ยวมันหาง่วงเองอย่านั่งในปตัท่านี่รับนอนไม่นอนไม่หลับเท่าไร่ มีวิธีแก้ความวุ่นความพุ้ง่านก็เนี่ยต้องใช้ใช้สติใช้ปญัญญาก่อนนะครับฟุ้งซ่านกังวลเกี่ยวบเรื่องนอะไรก็พิจัฒนาด้วยปญัญญาว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเกจ็บต้องตายปัญหาต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามก็ต้องใส่ของมันเองไม่ชาก็เลยวเมาตาแล้วประจบถึ้นก็ระงับความฟุง้งซาได้ ีสดพิสี่ีแล้วอ่านได้หลายตามนี้ทันค่าความโกรดความไม่พอใจก็ต้องเจริญเมตตาจรเมตตาให้อภัยให้เห็นทั่วทั้งความเกิดเวลาตรวจแล้วจิตมันจะร้อนจิตจะไม่สงบมันมันมันมันสวนทางกับ เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือเราต้องการทําผิดให้สงกที่บางทีเวลาเรานั่งเรือเวลาเราทำอะไรกลายับใครแล้วคนนี้คนนี้มาทําให้เราเกิดความหังผ่ า, าใจเราก็อยากไปสใในใจมีการตัดเข้ามาห า, หางานของเราพิถีพต่อไปพิถีพต่อไปใครก็จะทำอะไรเมื่อคกวญเขาทำไปถ้าไปสนใจเดี๋ยวมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นเราเราจะเกิดความเกิดขึ้นเร้เราจะทําให้เสียสมาธินั่งไม่ได้ ถ้ามันนั่งไม่ได้จริงๆก็ต้องเปลี่ยนที่ไปหาที่ดีไหนที่มันสงบที่ห่างไกลจากคนต้างรู้จากวิธีระงับความโกรธเวลาก็ให้รู้จักการให้อภัยอย่าจองเวรการแต่เห็นตัวของความโกรธก็เป็นเหมือนไฟทุกครั้งที่เราโกรธเหมือนกับเราเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราไม่มีการทุบศรีรษะเราเราทุบตัวเราเองความโกรธนี้ก็เหมือนกันไม่มี็นค้ง บองทับให้เราโกรธได้เราโกรธเองถ้าเรามีสติเรารู้ทานว่าความโกรธนี่มันเป็นเพลิดเป็นพานเหมือนกับหูเพลิดเราก็จะรีบมันน้ำดับมันได้แล้วเราก็จะได้บำเพ็ญภาวนาต่อไปได้บ่งทีไปโกดธใครมาเนนั่งสมาธิไม่ได้กว่าจะหายโกรธก็บางทีวันสองวันมันก็เป็นวิวนี่วิวนี่แปลว่าอุปสรรคที่ขวางกัน การเจริญการเจริญการบําเพ็ญสิตาภาวนานี่คือคือเหตุกระจายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญภาวนาที่จะช่วยคือทานศีลทานฉันรัวมินติวทานจงหมกจการการอยู่ในที่สงบสนะเก็บไม่เว้การไม่ควบคีบกันแล้วก็การเจริญสติอยู่ตลอดเวลา นี่คือเหตุกระจายเป็นเครื่องมือถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ยากการภาวนานี้ไม่ยากเลยปัญาของพวเราส่วนใหญ่คือเราไม่รู้กันหรือรู้เราก็ไม่สนใจที่จะบงเพ็ญกันไม่สนใจที่จะสร้างมันขึ้นมาก็เราะีรชีวิตของเรามันยังมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าคอยขวางทางเราอยู่เรื่องครอบครัวเรื่องสมบัติเรื่องของเงินทองเรื่องความสุขนล็กเล็กน้อย จากการไปที่นั่นมาที่นี่จากการไปดูการไปฟังการไปดืิมการไปรับประทานมันก็หมดกับไตเปลี่ยนั้นไปหมดเราก็ในการการภาวนาก็เหมือนกับยืนย่ำอยู่ที่ไม่ได้ก้าวหน้าคือก็เป็นเรื่องของเราไม่มีใารที่จะสามารถอถัดงานออกไปได้เราต้องเป็นพุทธทางงานตัวเอง ที่ลูกไปปฏิบัติที่แง่สมาธิแล้วที่มั น, นทีน่ไหนที่เขาเรียกธนาที่ที่นี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีมสันติก็ก็คงจะโกรธนะคะก็เลยก็เลยเทําต่อยิ่งไม่ดีอีกเลยที่นี้ก็เลยเมื่อกี้ฟังท่นานอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เราไม่มีมสันติแต่ว่าเราไปเข้าใจผิดคือเราคิดว่าเราจะบังคับมันด้สยตัวแต่จริงๆที่ซ่อนอยู่ข้างใต้คือความไม่อยากจะเจ็บ เพราะฉะนั้นต่อให้มีสันติหรือไม่มีสันติมันก็ไ ม, ม่มันก็ไม่ใช่ประเด็นเพรามันเข้าใจผิดใช่ประเด็นอยู่ที่ความไม่ชอบความติดนั่นถ้าเราชอบแล้วมันก็ทนได้ <c oughs> บางอย่างที้คนไปยืนรออะไรเป็นช่วงลงช่วงลงยืนรอได้ <c oughs> แต่ยืนจองคู่กันนี่ยืนเป็นช่วโมงใช่เราต้องรักชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบ เช่นการรับประทานอาหารเนี่ยลองรับประทานในสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างสิ่งที่เราไม่ชอบอยากเป็่รับประทานเนี่ยเพราะว่าอะไรก็ตามมันเป็นอยู่ที่ความชอบไม่ชอบกันสิ่งเดียวกันคนหนึ่งก็ทำไมกินได้ทำไมก็ชอบนักประมาณนึงไม่ชอบเพราะมีความสุบทำไมเรามีความสุขกับสิ่งเดียวกันทำเรื่องเดียวกันเพราะเรามีมีกิเลสมากเลยเรามีความชอบไม่ชอบมาก ถ้ามีความชอบไม่ชอบน้อยปัญหาและก็น้อยถ้าไม่มีความชอบไม่ชอบเลยก็สบายทุกอย่างก็ได้ไอะไรก็ได้เจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้แต่นิมพูดถึงในขณะที่เราปฏิบัตนะิเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บแต่เมื่อเราผ่านเรื่องการปฏิบัติแล้วความเจ็บถ้าไม่จําเป็นจะต้องเจ็บก็ อ, อย่าไปเจ็บมันนั่งแล้วมันเจ็บมันปวดก็ขยับได้แต่ตานที่เรานั่งแล้วที่เราไม่ขยับ น, นั้นเพื่อเรา เราต้องการจะลบเกิดให้ใจมันยอมรับกัาความเจ็บท่านนั้นเองเมื่อเรารับมันได้แล้วต่อไปเราไม่ต้องไปทมนมันก็ได้เพราะร่างกายเราก็ต้องดูแลรักษามันมันก็ต้องมีความสมดุลในในอารมทั้งสี่ไม่ถ้าจะปล่อยให้มันเจ็บไปตลอดนักนอดีตบัตรเ้านั่งทั้งคืนเขาก็ไม่ได้นั่งไปตลอดชาติที่ไหนเขาก็นั่งพอเขารู้แล้วว่าเขาผ่านได้แล้วเรื่องความเจ็บปวดของร่างกายขนาดนั้นเขาก็รับได้เขาก็ไม่มีความ ไม่มีปัญหากับมันแล้วต่อไปเขาก็เขาก็ได้หรือนเราหันรับประทานอาหารที่เราไม่ชอบพอเรารู้ว่าเราเเราเลิประทานแนะเราจะไม่กลับไปรับประทานก็ได้แต่เรารู้ว่าเมื่อเราถึงเวลาตกที่หน้าลำบากต้องกินต้องรับประทานของนั้นเราก็รับประทานได้ไม่มีปัญหาถึงเดียวต้องแก้ก็คือปัญหาทางจิตใจที่มีปฏิกิริยาต่อต้าน ต, ต่อสิ่งบางสิ่งบางอย่าง สิงไหนที่เราต่อต้านเราต้องพยายามกยายามเลิกต่อต้าน<ม>สิ่งไหนที่เรายึด ต, ติดเราชอบเราอยากได้เราก็ต้องเลิกยึด ต, ติดเลิกอยากได้ถึงต้องเลือกทําในสิ่งที่เราไม่ชอบทําเช่นนั่งสมาธินี่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทำเราก็นั่งกันสิ่งที่เราชอบทําแล้วก็เลิกทําำเช่นชอบนั่งดูโทรทัศน์ก็เลิกดู <c oughs> มันก็บมันจะได้เข้าสู่โครงการตอนนี้มันยังมันยังมันยังมันยังเอียงไปด้านด้านความชอบแล้วก็ชอบทางนี้แล้วก็ไปทางทางนี้ไม่ต้องการให้มันอยู่กลารไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชังถึงเวลานานแดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ถึงเวลาจะนั่งสมาธิ ก, ก็ไนนกด้ไนั่งก็ได้ถ้ามันอครงกาลานะ เาการนั่งสมาธินี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะปรใจเราให้เข้าสู่จุดอุเบกขาคือจุดตรงกลางที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอียงไปทางด้านไหนด้านหนกับสิ่งใดสิงหนึ่งเม่อไม่เอียงไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนสิ่งนั้นเกิดหายไปเกิดเป็นอะไรไปก็ไม่เดียบร้อนถ้า่าชอบดูโทรทัศนให้เกิดโทรทัศน์เสียขึ้นมาวันนั้นก็หนุดหนุดใจลนะ ยิงจะดูตอนสำคัญสำคัญอยู่เลยพอทั้งนเสือขึ้นไงมันก็เป็นขนาดแต่ถ้าเราไม่ได้ไปสนใจแต่เรื่องกามดูนะมันจะวิเศษขนาดไหนมันก็มันก็เป็นความวิเศษตามสมมุติข้าท่านเองก <c oughs> ารจริงจริงมันไม่ได้มีความวิเศษอะไรกับตัวเราหรมันแต่รับไล้ให้ความสำคัญกับมันเอง <c oughs> ถ้าเกิดเราต้องพเท็่อความสบายใคืนว่าทานา่าไม่คิดถึงูอื่นทาไม่เห็นจอดาม้าเรื่องู้อื่นเป็นกิกรานเราก็ควรสบายใจ็ไมพูดก็ได้พูดก็ได้สมว่าถ้าไม่สบายเป็นไมาแล้วทาถามว่าเป็นอะไรเียมันต้องูเป็นอะไร เจตนาดีน <geri> ะ <Pom is> ัก <to> ็ถมก็ตอก็คือคือบางอย่างมันก็ ก็จะว่าโกหกมันก็ไม่เชียงโกหกแต่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นโมหันก็ได้แล้วก็ถ้ามันก็ไม่อยากจะส่งเสริม ก, การการพูดปดแต่การอุบายหรือโมฮันหรือกุศลอุบายมันก็มีเหมือนกันทีนี้คนที่จะสามารถแยกแยะว่า การพูดปัวจากกุศโลบายนั้นได้หรือไม่นั้นปัญหาที่เป็นปัญหาเพรางั้นคนคนที่จะพูดมันก็ต้องมาเป็นคนที่แยกแยะเอาเองว่ามันเป็นกุศโลบายหรือมันถึงการพูดปัวเพื่อปกปิดความชั่วของตรง อ, อย่างนีน ถ้าเนียงเฉยได้ก็เนี่ยก็จะดีด้วยเรี่ยงเรี่งไปพูดเรื่องอกาคิดว่ามันเป็นคุศลระบายก็พูดไปโทษมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้ามันพูดตลอมมันก็มันก็จะติดเป็นีิสัยไปได้ มันก็อาจจะอ้างเป็นกุศโลบายปเร่อยๆัน้ก็ต้องต้องพิจารณาเป็นจปนลายลายไปเป็นเนรื่องๆไปเป็นการปัจัยต่างัน่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะคะค่ะค่ะค่ะค่่่ ซึ่งที่ตรวจภายในเนี่ยเราสามารถที่จะจิตนะเนี่ยเราได้กระจาใจกับให้รู้ว่ามันเจ็บกีดเจ็บอไใช้วิธีนี้ได้ในกรทำว่าจะก็ติดสที่พุทโธไปแทนอ่ใช่เพราะมันจะไ้ม่เหมือนว่ามันไม่นด้ทุกันแล้วนะอ่ากอยากปล่อยให้จิตนั่งอยู่อยู่ยยเฉยเพราะมันจะอดคิดอยากให้มันหายไม่ได้เราต้องให้มันมีอะไรทาให้มันเคลินไปให้มันเดิมเร่งความเจ็บของร่างกาย ถาเราพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆ ก, ก็เป็นอุบายของสมาธิมันเป็นการดึงใจให้ให้ให้ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความอยากแล้วถ้าความอยากมันหายไปมันก็สงบได้ความทุกข์ก็หายไปได้มันคหายทั้งสองส่วนเลยความทุกข์ทางใจก็หายไปความทุกข์ทาง่างกายก็ดับไปเรื่อย จิตเพราะจิตสงบตัวเราจิตปล่อยวางร่างกายปล่อยวางวิทยาแต่ตัณหาปล่อยวางแบบสมาธิพอทขาไม่มาเจอก็จะเป็นแบบเดี้แต่ถ้าปล่อยวางแบบตัณญาคือรู้ว่ายังไงยั ง, งยยไงก็ต้องเจอมันอยู่เรื่อยเรื่อต้องเจอมันอยู่เรืเรื่อยถ้าชอบมันเสียเป็น <c oughs> ดีต้อนรับมาเลย <c oughs> ไเจบไปเจบไปเราเป็นแเดทีนผู้รับรู้ก็รู้ใจเท่านั้นเองเหมือนกันเราเป็นคนทํางานโรงแรมมีใครจะมาพักเราจะชอบไม่ชอบเขาเป็นแขกเราก็รับเขาเข้าพักเราในหน้าที่เป็นคนรับเขาเข้าพักก็รักเขาเข้าพักไปเวทนาเรเหมือนกันจะเป็นทุเวทนาทุกเวทนาเวลาเข้ามาขอพักในใจเราเราก็รับรู้เขาใส่ใจความจริงของเขา เขาเจบก็เจ็บไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอยากให้ท้อหายไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดโทรศัพท์อย่างนี้เรียกว่าปล่อยวางด้วยปัญญาคือเห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้เขามาไม่ได้เมื่อเขามาก็ยินดีให้เขามาขามาเขามาถ้ า, าอย่างนี้เราก็ไม่วุ่นวายใจถ้าอย่างนี้ต่อไปจะเจอความเจ็บกี่ครั้งก็ไม่หวั่นไหว างนีียวปัญญาราแสดงว่าหลุดพ้นจากเวทนาได้แต่ถ้าใช้วิธีพุทโธพุทโธเพื่อเลือความจริงนั้นความจริงของเวทนาที่ปรากฏอยู่มันก็เป็นการเบี่ยงเบนจิตเป็นการเป็นการดลอกร่อให้จิตเข้าสู่ความสนุกอย่างนั้นปล่อยด้วยสมาธิก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะใจลึกๆก็ยังรังเกียทุกเวทนานี้อยู่ แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นเหมือนเงาตามตัวเราเพราะตามเรามาเสมอถ้าเราไม่รังเกียจเขายินดีให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราก็ไม่วุ่นวายกับเพาะอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดเมื่อไหร่เวลาใดเราก็ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายเราไม่ต้องทําสมาธิไม่ต้องพุทโธก็แล้ว ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องนี้เขาเดี๋เรายอมรับกับกับอากาศินฟ้าอากาศฝนจะตกแร้วก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราหน้าหนาวมันจะหนาวก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความ้อนจะคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ไม่ได้ใจรงเกียดเราไม่ได้ใจร ง, งเกียดความหนาวหรือความร้อนหรือฝนฟ้าตกกป็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา อย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาก็สามารถที่จะอยู่กับทุกเวทนาได้อยู่กับเวทนาชนิดต่างๆได้ไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วไม่สุไม่ทุกเวทนาก็าจะไม่มากระทบ <c oughs> กับจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะเป็นปกติตลอดเวลาเราบาลีตรงกลางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รังเกียจ ไม่ได้อยากจะให้อยู่เป็นนานที่เวลามีสุขเวียนนานก็อยากจะให้สุดเป็ น, นานเวลามีทุกขเวียนนานก็อยากจะให้หายไปเร็วอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้หลังจากเราจะให้เขาเป็นตายตามเรื่องของเขาเขาจะอยู่นานก็อยู่ตามเขาจะอยู่ตั้งก็อยู่ตาได้ทั้งนั้นแต่ท่านนี้จะยาไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะไม่ได้นำเกลี่ยไม่ได้ยินดียาม เหมือนกับสิ่งที่มันเหมือนกับเงาที่ตามตัวเราเนี่ยเราไม่เป็นล่องเกิดเงานะเราเนเีน่ยเราเดรงไนมีงาตามตัวเราทนี้ไม่รังคาเลยไม่มทำไมชอบตามเดิเด <c oughs> ี๋ยวมอข้างหลังนีืออยข้างหน้าเนระพราะเรายอมรับเขาเนะี่ยถ้าเรายอมรับแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแนละ้วถ้าเราไม่ยอมรับแล้วมันก็จะเก็นปัญหาตลอดเลบางคนมีไฟอยู่มดหนึ่งไม่ชอบไฟเม็ดนั้นก็โหยทรมาน ก, กับมันไปตลอด บาคนอยากจะมีไฟก็ทรมานต้องนั้นให้เพราติดไฟเียพราะมันเไม่เป็นธรรมชาติแต่นั้นไม่เป็นการมันไม่มันไม่ยินดีตามความเป็นจริงที่เราฝึกปฏิบัติเนั่นก็คือให้ให้ให้จิตพอใจกับความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรในรูปแบบไหนก็พอใจตรงนั้นี่แหละคือข้ามาที่แท่าน คือพอดีแบบยาของความศึกษาคือนคะพอดีเอ่อมีเป็นเพื่อนเ่อนแม่ของเพื่อนนะคะพอดีว่าคุณพ่อของเพื่อนคนนี้ค่ะเาพิเสียไปะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณแม่ก็ทำแบบนี้ทาร์ช่วคือผ่านเป็นเดือนกว่าคือเขาเป็นเขาไปคนเครสู้นะะอือเราถ้เห็นเขาจะมีดูแบช่วยอะไรคือเขอ บางอย่างเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะมันเป็นการกระทําของเขาเองเขาถูกความมืดบอดความหลอนครอบงำจิตใจทําให้เขามองไม่เห็นความจริงหรือแม้ความจริ ง, องรัองจริงก็มีการพัดพาจากการกปฏิบัติแล้วก็จิตของเขาไม่ยอมอยู่กับในปัจจุบันเขาไม่ยอมเริ่มต้นชีวิตใหม่ จิตใจเขายังไปข่อยคว้าอยู่กับอดีตที่ที่ที่หอมหวานอยู่แล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนู้นถ้าเขาตัดอดีตได้แล้วทำใจให้อยู่ใ น, น, นอนาคตยู่ในปัจจุบันจอดาเนินชีวิตไปตามปกติอย่างที่เคยดำเนินอยู่อยากพยายามไปคิดถึงนี้อดีตที่มันผ่านไปแล้ว ที่ปัญหาก็คือว่าเราเราอยากจะช่วยเขาแต่เขาไม่เขาไ ม, เาไม่เขาไม่คิดที่จะหาความช่วยคนความช่วยเหลือจากผู้อื่นมันก็ยากถ้าเขาอยากจะหาความช่วยเหลือนี่มันก็นงา่ายปัญหาอีกรื่องทำยังาให้เขาได้เกิดสติอยากจะหาความช่วยเหลือในนิทานในสมัยพุการที่มีม่ ทีเสียเห็นเสียลูกขาดล้มตัก็อยากจะให้ลูกคืนไม่ยอมไปเผาไม่ยามไปฝังเก็บไว้ในบ้านแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เพื่อนบ้านก็สงสารก็เลยแนะนําเขาว่ามีคนที่จะช่วยกันได้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่เพื่อนบ้านเขาก็มีบานหลอกให้าหา้องหาความช่วยเหลือตลอดหาความช่วยเหลือ เขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าพาลูกไปเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทำให้ลูกขอลื้อในความเจริญพระพุทธเจ้าจะช่วยให้เขาหายทุกข์ต่างๆพระพุทธเจ้าก็ไม่บอกเลยตรงว่าผมบอกว่าถ้าอยากจะให้ลูกฟื้นก็ให้ไปหางามาทักกรรมเลยแต่งาที่ได้มานี่จะมาแต่ในบ้านของคนที่ไม่มีคนตายยังไม่มีญาติพี่น้องตายไม่มีปู่ญาติตา ย, ายไม่มีทุกกาณน่ะอาไม่มี ยุคหลานตายถึงจะใช้ได้ใช้มาทำที่คือปุกให้ลูกนิดเติมเพื่อหลกความตาแต่ก็ดีใจมีความหวังกร็รเร่งไปในหมู่บ้านแต่เคาะประตูบ้านถามบ้านนี้บ้านนี้เขามียาไหมนะทุกบ้านก็มีแต่ะทุกบ้านก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายมีมีคนตายเหมือนกันไปเคาะทุกประตูบ้านเลยก็มไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตาย ก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าคนตายนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ลูกเฒ่าเท่านั้นแต่มีคนตายทุกแห่งทุกคนรวมทั้งตัวเขาเองด้วยทั้วันก็ต้องตายเช่นเดือบทุกคนต้องตายถ้าตายแล้วก็ไม่มีการฟื้นขึ้นมาตายแล้วก็ต้องตายเลยต้องจบดังนั้นได้สัจธรรมปัญจึขึ้นมาเรืปัญญา ก็หายเศร้าเสียใ จ, จยอมรับความจริงถ้อยอมปล่อยให้รลูกนั้นท้าลูกไปเผาวไปฝังเรื่องก็จบปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคนที่เขาเดือดว้อนเขาต้องการความเชื่อหรือเป่าเราเห็นก็เราสื่อสารเ้งแต่ถ้าเขาไม่ต้องการความเชื่อหลือแเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องส่งอนิจจ่าทำใจให้เป็นเบกขาวว่าเป็นกรรมของเขา ถ้าเขามีปัญญามีธรรมะเขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้เขาก็จะผ่านเหตุการณ์อย่างนี้ไปได้เอยปกติไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตายก็เถาตายฝังก็จบทีกิตก็ดำเนินต่อไปที้เขาก็พยายามนะเขาบอกเขาข อ, เ, ขาขอเวลาแต่คือโดมเห็นเขาจะมีดีขึ้น ก็เป็นชีวิตของเขาอะเราก็อย่าไปยึดของเขาหรือเราจะไปสร้างความทุกเครียดขางมากขึ้นไปบันทีความตัดนานีของเรากับกับตอนนี้เป็นโทษกับเขาก็ได้บางทีเวลาจะช่วยใครก็ต้องดูการละเท่าดูความอยากเราดูความสามารถว่าเราสามารถช่วยเขาได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยดีก่า กนก็ไปการตามเรื่องของเขาการที่จะช่วยกับทำให้มันเร็วลงไปก็ได้ปัญหามันได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เราอยู่ที่เราทำจาจไม่ได้เป็นคนเห็นทุกแล้ว ก, ก็ทุกข์ตามเขาไปด้วย คือจะมองในทางหนึ่งก็ดีเพราะว่ามีความเมตตาสงสารแต่มมองอีกทางหนึ่งมันก็ไม่ดีเพราะว่าเมตตาสงสารเกินขอบเขตจนเราทุกข์ไปด้วยเมตตาสงสาร้ะเราต้องไม่ทุกข์ถึงจะถูือถ้าช่วยได้ก็ช่วยแต่จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็จะไม่ทุกข์อย่างนี้ถึงจะถึงจะถือถึงต้องต้องดูแลทั้งสองส่วน ดูแลคนอื่นและดูแลใจของเราด้วยในขณะเดีวยวกันดังทีเราห่วงดูแาคนอืน่นโดยกระทั่งเราลืมลาายูแลใจเราใจเรากับทุกข์มากกับคนที่เราเปห่วงไปงกังวลอีกค น, นหนึ่ง แม่เสียแล้วทำใจไม่ได้หมูแทบแย่ยอีกสามเดือนแต่งงานแล้วใจมแผลใจนี่ก็เหมือนแผลกายใหม่ๆนะ้วแผลกายใหม่ๆนี่ก็เวลาไปไปตะกิ้มันเข้ามันก็เจ็บแผลใจก็เหมือนกันเวลาใหตุการเกิดขึ้นใหม่ๆมันก็ทำใจไม่ได้ แต่พอเวลาผ่านไปมันก็หายไปตามเวลาเลยเขาเี้ว่าเวลารักษาแผลใจแผลกายก็ต้องอาศัยยาด้วยอาศัยเวลาี้วยถ้ามียารักษาแผลใจก็หายเร็ถ้ามีธรรมะโอสฐ์นี้ก็เลยวครันี้จะสามเดือนสามวันจะแต่งงาน เสียใจไรืดีใจลูกร้องเหงาอว้ยพอมีมีมีมีคนอื่นมาแทนที่เราก็หายเหงาคนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นทุกอย่ที่เราอยู่คนเดียวไม่ไดที่เรามีคู่ครองเลยเพเราอยู่คนเดียวไม่ไะต่อคนนี้ตายไปถ้าเราหาใหม่ได้แล้วก็มือคนเก่าก็ได้ 还早呢。